คำเรื่องสมาธิและสมาสมาธิตอนที่สโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่หเมษายนพุทธศักราช2533เนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่14ณพุทธสถานสาลีอโศกอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้ เอาเรามาทบทวนการเป็นคนว่าง่ายอีกเที่ยวนึงนาการเป็นคนว่าง่ายาเมื่อถูกว่าถูกกล่าวอะไรก็แล้วแต่หนึ่งไม่กลบเกลือ น, นเมื่อถูกว่าเมื่อถูกกล่าวตักเตือนหนึ่งไม่กลบเกลื่อนสองไม่อยู่นิ่งเฉย เมื่อถูกว่าถูกตักเตือนสามไม่มีจิตเพ่งโทษผู้ว่า ก, กล่าวสั่งสอนนะอันนี้ต้องพยายามระลึกจริงๆนะมันไม่เช่นนั้นนะเราก็ไม่ไม่ค่อยจะรู้ตัวมันถือตัวถือดีมาเป็นกินเลสมันเป็นจริงๆนะอย่างอายุมากกว่าบ้างมาก่อนบ้างหรือถือตัวว่าเรามีความสามารถมากกว่าบ้างเราดีกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันถือไปทั้งนั้นน ะ, นะ มันลำบากนะถ้าเพราะว่าเราเองเราไม่พยายามที่จะศึกษาแล้วมันก็ชา้าแล้วมันก็เห็นมันเป็นจริงๆมันเป็นลักษณะบกพร่องเป็นลักษณะยังไม่เจริญเป็นลักษณะที่ยังไม่เป็นกุศลนะนเราจะต้องพยายามจริงๆไม่กลบเกลื่อนไอ้เรื่องกลบเกลื่อนนี่ต้องะระลึกดีๆนะมันหาเรื่องกลบเกลื่อนจริงๆนะ ใครไม่เคยหาเรื่องกลบกลื่อนให้แกตัวเองบ้างซื่อใครว่าไงก็รับฟังอย่างดีใจตรงเลยนะใครไม่เคยเลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่กลบเก่งมีแต่เกลื่อนเก่งชํานาญมันเป็นเรื่องอย่างนั้นนะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะใจตรงวางๆแล้วก็ฟังไม่ต้องกลบเกลื่อนไม่ต้องอะไรนะฟังจริงๆแล้วก็ค่อยมอง ม า, ม า, ม, ามาพิจารณาเปรียบเทียบวัดจะตรวจทันใดทันทีก็ได้และแต่ว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวจิตที่จะไม่รับมีตัวจิตรับไม่กลบไม่เกลื่อนไม่อะไรฟังดีๆฟังอย่างเขาพูดอย่างตรงๆตอนแรกตอนใจเราเนี่ยรับรับไม่ใช่กลบเกลื่อนรับรับแล้วก็มาตรวจความจริงให้มันจริงๆ และในขณะที่ตรวจความจริงจริจรๆนี่ก็จะต้องไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองด้วยไอค้คําว่าไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองนี่พูดได้นะแต่จริงๆแล้วแหมมันเอียงเอียงๆนะจริงๆแล้วมันเอียงจังนะมไม่ใช่เรื่องเล่นๆคนเราจะต้องเผื่อพอไว้เยอะๆนะเผื่อไว้ว่ามันแหม่ไม่เอียงเข้าข้างเรานะขณะที่ว่าไม่เอียงแล้วนะนี่มยมันไม่ใช่ย่อยนะ เมื่อถูกเตือนแล้วเราก็จะต้องไม่นอกจากไม่กลบเกลือนเห็นจริงแล้วก็ไม่นิ่งเฉยอะไรที่มันควรแก้แกอ้อะไรอะไรที่มันควรปรับปรับอะไรที่มันยังไม่ดีขึ้นมันจะต้องทำให้ดีขึ้นจริงก็ต้องรีบทำไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยนะแล้วก็จะไปเพ่งโทษผู้ใดเขาจะเตือนจะติงเราเอาละคนไหนอาจจะมีนิสยัยจริตเตือน ก็เตือนสมัยแต่เตือนแต่ละทีแล้วเอาจะเป็นลม เ, เตือนแต่และครั้งนี่ก็จะหนักแรงอะไรก็ตามแต่เถอะก็อย่าไปเพ่งโทษต้องรู้ว่าเอาอคนนี้นี่นะคงจะมีแต่ปางบันมัดหนักมาแต่ปางบันคงได้ซักซอมมาหลายร้อยชาติ ที่พูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นประชดอีกนะ <c oughs> เราเน้นด้วยความกลางๆใจกลางที่ต้องหัดเรื่องการฝึกจิตฝึกใจนี่มันต้องหัดจริงๆต้องรู้จริงๆเลยว่าเราเองนี่มันมีเ ห, หมาวันนิดๆหน่อยๆมา ก, มา ก, มากๆไม่ไม่อะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมันมั น, ม น, มนหมายมันละเอียดสุขุมประณีต จ, จริ ง, รงๆนะเราก็นึกจริงๆเออคงจะเป็นนิสยัยเป็นอ า, อาวัยชัดๆแล้เป็นสันดาน เ, าเป็นสันดานของเขาเป็นวิสวัศาสนาของเขา มันติดตัวมาก็ได้นะล้วก็เข้าใจให้มันจริงอย่างนี้วางใจไม่ต้องไปเพ่งโทษไม่ต้องไปอะไรเขาจะเตือนเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกว่าทำไมต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นก็เขาเป็นอย่างนั้นก็ค่อยๆพูดกันทีหลังบอกมีโอกาสมีเวลาดีๆบอก เ, ออเป็น ถ้าเราสังเกตแล้วเห็นว่าเขาพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่ประจำหรือว่านานๆเป็นทีเราก็ต้องรู้แล้วว่านี่เป็นกิเลสของเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนี่เรียกว่าไม่ใช่นิสยัยไม่ใช่วสัสนานานๆเป็นทีบางทีมันเป็นกรเราเท่านั้นที่คนอื่นนี่แหมหวานนี่คนอื่นนี่เพราะพอทีกเ ร, ราเนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเอหรอกนะมันจะเป็นรเราอย่างงี้แหละ เราก็รู้ว่าเออ เ, เขาอย่างนี้ก็เรวเราจะรู้ความจริงทั้งนั้นเราจะรู้ความจริงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องความจริงเหล่านี้ต่างๆ เ, เราศึกษาความจริงแล้วก็รู้จักทีรับเป็นวรยุทธ์เป็นความฉลาดเป็นความเข้าใจทุกอย่างจะมีแต่ดีถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้จักทีรับทีทรัีรับทีรุกนะรุกก็รุกไม่ใช่รุกอย่างนักมวยหรือว่านักอะไรกันเกินการนัน <g ul ain> เราไม่มีจิตเพ่งโทษมีอะไรแต่ใดเราก็รับรู้รับศึกษาเราจะเข้าใจความจริงหลากหลายความจริงนานาในมนุษย์จริตนิสัยพฤติกรรมอ่าไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแต่ใดต่างๆกายวาจาใจของคนนี่เราจะได้รู้อ่าแล้วเราก็จะเป็นผู้ฉลาดที่ว่าถ้ารู้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้แล้วเราจะรับกับผู้นี้เราจะมีการมีการมีการสนองตอบ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ดีเกื้อกูลกันบางทีเราจะพาซื่อว่าเราไม่มีอะไรสนองตอบเลยสักอย่างเลยหรือถือไปเลยมันก็ไม่ได้มันก็จะอาจจะต้องตอบบ้างในสภาพที่ตอบอย่างดีเนี่ยเขาว่าเรามาแรงรว่าเอ๊น่าจะบอกให้เขารู้ตัวบ้างหรือว่าเราก็น่าจะตอบเขาให้ให้เขาได้รับผลกระทบอย่างหนึ่งบ้างก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราสามารถที่จะมีการสนองตอบนั้นอย่างมีการประมาณได้มีกายการรมจีกรรมซึ่งมาจากมโนโนี่แหละแลีวออกไปอย่างดียังพอเหมาะก็ะเกิดประโยชน์แก่กั น, ก น, นและกันมีปรารถนาดีแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ประมาณประมาณกายวาจาใจตอบกันไปให้ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนสองด้านอย่างนี้มันก็เกิด ความเจริญเร็วนะึืงไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่อาตมาพูดนี่รู้สึกว่ามันคือคำพูดง่ายๆนะแต่ว่าเวลาฝึกจริงไม่ใช่ง่ายๆนะไม่เพ่งโทษจริงๆนะเอื้อเฟื้อต่อคำสอนและต่อผู้สอนนะผู้ที่เขาสอนผู้ที่เขาติงผู้ที่เขาเตือนผู้ที่เขาว่ากล่าวอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอื้อเฟื้อต้องช่วยเหลือให้คาสอน ช่วยเหลือให้สิ่งที่เขาได้ติ้งได้เตือนนั้นที่จริงถูกต้องนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาอย่าว่าเอือ้อเฟื้อต่อคําสอนนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นจริงมัน ก, ก็แล้วไปเราก็ย่อมไม่ทำอ่ะนะนเดี๋ยวทั้งที่มันดีอยู่ว่าเสียแล้วเราจะไปแก้ไขให้ไปเป็นไปตา ม, มเขาว่าก็ไม่ได้นะอย่างงั้นเราก็แน่นอนละแต่ถ้าเผื่อว่ามันจริงตามที่เขาว่าเราก็ต้องแก้ไข อ, อ๋ออย่างนี้มันก็ต้อ ง, เ อ, อองเอือ้อเฟื้อต้องมี ต้องให้มันเป็นจริงให้ได้ต้องเห็นใจเขาด้วยรต้องเข้าใจปรารถนาดีมันไม่มไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องเจริญด้วยกันนะเคารพต่อคำสอนต่อผู้สอนนะขอบคุณเคารพคารวะว่าเออดีนะเขามีสิ่งดีๆมาแจ้งแกเราบอกแกเราตเตือนเราสอนเราแนะนาเราอะไรต่ตางๆนะนอกจากเคารพแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรื่องคำว่าขอความอ่อนน้อมทมตนนี่เป็นเรื่อง ใ, ใหญ่ๆนะแล้วเรื่องใหญ่ๆ ใ, ในมนุษย์เอความอ่อนน้อมทมตนนี่ไม่ใช่ท่าทีอะไรนะมันไม่ใช่อ่อนน้อมแล้วมันปอบแป้หรือว่ามันอะไรจะเรียกว่าอะไรประเภทก็น้องกันแนงประเภทไม่ใช่อ่อนน้อมหรอกดูมันมันเกินไปอะ่ะมันอ่อนมัน มันยังไงจะเรียกว่าภาษาอะไรดัดจิตไม่ใช่อ่อนช้อยไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่คร้อเคลียมันมันมันอ่อนเกินไปแล้วมันดูงงแงงงมันมันดูนะมันก็ไม่ใช่ออดอ้อนไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช้ดัดจิตนะพอนึกออกมาที่หมายนี่ว่าอะไรนึกออกกันนะแต่ไม่รู้ไม่ภาษาเรียกไม่มีเหะ เนี่ยกำลังหาใครเจะฉลากอาตมาภาษาจะเรียกว่าอะไรมันมันอ่อนดูเออมันดูมันมันดูเกินน่ะมันดูอ่อนแต่มันดูเกินไปอย่างเงี้ยเอ๊ะมันไม่ใช่ปวกเปียกทีเดียวนะอ่อนปวกเปียกเนี่ยแสดงว่ามันมันเมื่อยมันเพลียมากมันอะไรกันมันอ่อนปวกเปียกเปลืกต่อแปรพอๆกันนะฮะไม่ใช่อ่อนหวานฮะ ไม่ใช่ออยใส่หรอกเนึกว่ออกมาจะคาอะไรมันจะเหมาะนะก็คงจะพอเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงคือคนมันอ่อนมันมันดูมันอ่อนเกินไปอ่ะมันอ่อนอย่างที่เรียกว่ามันมันไม่พอดีแต่คืงพอจะเข้าใจนะอย่างนั้นก็ไม่ดีบางคนอ่อนเอาอ่อนไม่พอดีเอามากๆดูแล้วเหมือนดัชเริตเหมือนอคนนี้มันมันยังไงไม่รู้นะ อ่อนเอียนอ่อนเอียนอ่อนเอียนตรงติ้งใช่ตรงติ้งกับลักษณะนั้นมันมากไปมันมันเหมือนเกินนะไม่ใช่อ่อนน้อมนะถ้าอ่อนน้อมธรรมตนนี่ลักษณะบางทีดูแข็งแรงนะแต่อ่อนน้อมธรรมตนนะเพราะกิริยาอะไรพวกเนี้ยเราพอภาษาพูดบางทีเราก็เรียกมันไม่ตรง แต่บอกลักษณะมันก็นี่พยายามดูซินในชวนกันคิดต้องมารู้ ก, กี่คนยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเรียกมีภาษาเรียกว่าอะไรมันสงบสงบเงานเมาสงบเ ง, งะคนเมาไม่ใช่นุ่มนิ่มหวานซอมมัว่วนุ่มนิ่มเอาละก็คงพอเข้าใจก็พอแล้วนะ คือมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนมันมันอ่อนเกินไปนะก็ก็ต้องเข้าใจให้พอดีพอเหมาะเสื้อรสนามันมันมันย้อนแย้งกันอยู่นะที่จริงแข็งแรงนะแต่มีความอ่อนน้อมในตัวมีกิริยาที่พอเหมาะในการรเทสะต่อพฤติกรรมที่ตอบ ร, ร, ร, รับปอะไรๆต่างๆนานา น, านี่ดูดีนะบางคนมันก็อ่อนนุ่เกินไปโอ้อะไรก็ไม่รู้จะตลอดเวลาหรือมันมันมันยังไงไม่รู้นะอาตมาก็ทําเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะ อ่ะต้องมีความยินดีในข้อต่อไปนะข้อหาเคารพรุิสีเออเอเฟือแล้วข้อหเคารพต่อคําสอนมีหมีความอ่อนน้อมและเจ็มีความยินดีปรีดาต่อคําสอนอ่าต้องจิตใจแล้วก็จะต้องจริงใจนะต้องรู้สึกว่าเออก็ยินดีนะเขาแม้เขาจะด้วยโกรธอย่างที่เคยยกตัวอย่างแล้วว่าพ่อแม่อย่ังนี้เป็นต้นดุว่าติเตียนอะไรต่างๆนานาเวลาติดเตียนอะไรต่างๆบางทีก็โกรธประกอบเข้าไปด้วย อะไรก็กเถอะเราก็จะต้องรู้สึกมีใจตัวหนึ่งว่าเออเขานี่ยังรักเรานะเขาปรารถนาดีต่อเรานะมีความยินดีในสิ่งที่เขาจะติตเตียนหรืออะไรตใดแก่เราจะดุเราว่าเราอะไรก็แล้วแต่นะเรจะต้องพยายามเข้าใจความปรารถนาดีเหล่านั้นแม้ว่ามันจะมีอารมณ์โกรธมีความดุดันมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่าเป็นลักษณะที่มันยัง เป็นจริงนะไม่ใช่ในลักษณะเท่านั้นมีเป็นจริงด้วยซ้าไปว่ายังมีความโกรธผสมออกมาก็ตามแล้วก็จะต้องเข้าใจความปรารถนาดีลึ ก, ลกๆซนบซ้อนอยู่มีความยินดีปรีดาต่อคําสอนโดยเฉพาะยิ่งเป็นคําสอนที่ถูกถูกแล้วโอ้เราจะต้องยินดีปรีดาต่อคําสอนที่สอนถูกต้องแม้จะแรงแม้จะดุแม้จะประกอบความโกรธออกมาและหยาบหยาบคล้ายๆอะไรด้วยบ้างก็ตาม เราต้อ ง, องดูซ้อนเข้าใจสิ่งที่มันลึกๆประสมมาในวิญญาณมีวิญญาณประสมออมาลึกๆว่านี่ปนนเป็นความปรารถนาดีแล้วแล้วก็เป็นความเฉลียวฉลาดด้วยมารู้ว่าความผิดนี้เป็นจริงแล้วลึ ก, ลกๆเลยซับซ้อนๆหรือว่าที่เราเองไม่รู้ตัวแล้วก็ก็เตือนให้มีประโยชน์ให้อะไรพวกนี้ก็ต้องพยายามหรือแม้มันจะไม่ถูกต้องนักไม่ถูกต้องนักว่าโอ้เตือนมามันก็ไม่ถูก แต่ว่าก็ยังมีความปรารถนาดีมีความฉลาดไม่เท่าไหร่ฉลาดน้อยก็เลยไม่เคยถูกเท่าไร่ก็ตามนะก็ต้องเข้าใจจิตปัญญาของผู้คนมีความยินดีปรีดาต่อคําสอนที่ดีอ่านะก็ไม่ดื้อรั้นนะพอแปดไม่ดื้อรั้นนะไม่ไม่พอไม่ชอบใจที่จะขัดคอหรือไม่ยินดีในการขัดคอนะขอ 9, น้อเก้าเนี่เป็นลักษณะที่เราจะต้องรู้ว่าผู้อ่อนน้อมทมตนแล้วเนี่ยจะไม่ ชอบจะขัดคอนักอะไรเงี่ยนะไม่ยินดีไม่ชอบใจหรือว่าไม่ยินดีไม่ไม่ชอบจะขัดคอไม่ชอบที่จะขัดไว้ก่อนไม่ชอบที่จะขัดไว้ก่อนต้องเป็นคนที่ผู้ว่านอนสอนง่ายเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ว่ายากสอนยากกับแม็กก็ยังเหลืออยู่นั้นนะชอบจะขัดคอไม่ขัดคอออกมาข้างนอกกับขัดอยู่ในใจนะชอบจะขัดคอขัดอย่างนี้มั่งอย่างนั้นมั่งไม่เคยยอมรับฟังด้วยดนตณีไม่ยอมยอมรับฟังด้วยดีอ่ะนะ ก็การนี้ก็บอกว่าผู้ว่านอนสอนง่ายนี่ไม่ยินดีในในการขัดคอนะหรือว่าไม่ชอบใจในการที่จะขัดคออยู่เรื่อยนซะึ่งมีปกติรับโอวาทเอาไว้ดีเยี่ยมเนี่ยมีปกติทำให้เป็นปกติฝึกห้เป็นปกติโดยเฉพาะที่ผู้ที่ชื่อว่าโซวัจสตาผู้ว่านอนสอนง่ายแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความมีปกติเลยเป็นผู้ที่รับรับโอวาท เอาไว้ดีเยี่ยมนะเป็นผู้อดทนก็สุดท้ายเป็นผู้อดท น, นทบทวนไม่ใช่บอกภาษาเท่านั้นนะผู้ไม่จดก็ต้องจาให้ดีคนเก่งๆไม่จดโดย11อข้อได้ก็เก่งเนอัตมาตไม่เก่งฮะต้องจดเอามาอ่า น, นาทบทวนด้วยเพราะว่าในในยะบางทีเราคิดไม่ออกหรอกเราจะฉลาดเฉลียวจะรู้ทุกแง่ทุกมุมให้มันพร้อมกันไปเลยไม่ได้ อะไหลายอย่างไลายแง่หลายมุมที่อะไรแต่ใที่กันช่วยกันนําออกมาใช้นําออกมาฝึกขัดอบรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเพื่อจะเกิดประโยชน์คุณค่าในการพัฒนามันมันมันมันดีนะมันหลายอย่างหลายอันละเอียดละเอียดลออนมันก็จะต้องจะต้องพยายามนะจดมั่งพยายามเปอุปทบทวนมั่งเอาไปดูไปทําความเข้าใจ มาเวลาเกิดเหตุจริงมันไม่ได้อยู่พร้อมกันหรอกอถ้าเผื่อว่าเราจำได้ดีๆจำได้มากๆหรือว่ามีหลักฐานอะไรปั๊บเนี่ยมันเอามาทบทวนเอามาใช้งานมันก็จะได้ประโยชน์ไวแก้ไขได้ดีดน ะ, ะเดี๋ยววันนี้ก็พยายามที่จะมีเวลาที่จะนั่งตอนแรกก็ว่าจะพานั่งแ ต, ต่ตอนนี้แต่เห็นว่ามันวันนี้วันที่5้าเขาไปแล้วพรุ่งนี้อีกวัน แต่อ้อแต่วันที่7เราก็ยังได้ได้ธรรมะเช้าอยู่เหมือนกันแต่วันที่เจ็ก็ต้องสรุปรวบรวมอะไรเพราะฉะนั้นก็มีวันนี้กับพรุ่งนี้ที่จะได้มันมีมาอีกตักงสองปึ้งเนี่ยมันยังมีอยู่จริงจริงก็อีกสูตร2สูตรมันก็คล้ายๆกันนะนะแต่ว่ามันก็อยากจะให้มันเสร็จไปก่อนทีนี้ถ้ามีเวลาเหลือเราไม่มีอะไรก็ไปนั่งเราวันที่6กเราเกยังได้ไม่มีปัญหานะก็เราอยากจะต่อให้มันละเอียดละออซะ นะว่าได้เวทนาที่เปรียบด้วยลูกสอ น, นะ เ, วนเวทนาที่เปรียบด้วยลูกส อ, อเวทนาได้อธิบายได้พยายามที่เอาสูตรที่เปรียบถึงขั้นสภาพของความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ซับซ้อนและมันใช้ภาษาเข้าไปไม่ถึงเทรวรโหกตตะสูตรนะสูตรที่หมายถึงสภาพที่มัน มันมันมันลับมันลึกมันลับมันลึกมันไม่ใช่ลึกลับมันลึกซึ้งถ้าคนที่ไม่รู้มันก็ลับแต่ถ้าคนรู้แล้วมันก็ไม่ใช่ลึกลับแต่มันลึกซึ้งมันซับซ้อนที่บางทีนี่เราใช้ภาษาไม่ถึงเป็นนามธรรมก็ได้อธิบายไปแล้วนะถึงสภาพสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขอะไรต่างๆนานาจนกระทั่ง เข้าไปสู่สภาพสวยอารมณ์อย่างใดเป็นทุกข์อย่างใดเป็นสุขและเราก็จะต้องรู้ว่าเมื่อเวลาเราทำได้ในระดับที่เรียกว่าเขาเป็นระดับชานคือเพ่งเผาเพ่งเผาหรือสภาพรู้แล้วก็ทำลายหรือลดในสิ่งที่มันไม่ดีเพ่งเผานี่คว่าชานนี่คือสภาพที่เพ่งเผาสภาพที่รู้เพ่งเป็นลักษณะที่เพื่อให้รู้ เผาคือลักษณะที่เราจะต้องทำให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามนั้นๆออกไปหมายเอาสูงสุดก็คือสังขารสิ่งที่มันไม่เป็นกิเลสตัณหาอุปท า, านหรือโลภโกรธหลงอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเป็นโลภในอัตตาในสภาพที่อย่างแม้แต่ที่สุดทึกอุเบกขาหรืออุทุกขมสุขถ้าเราไปติดยึดวันนั่นเป็นเรามันก็เป็นอัตตา เราจะต้องรู้ถึงขนาดนั้นเชียวแล้วก็ทําให้ได้ละเอียดละ อ, อถึงขนาดนั้นอย่างที่บอกไปแล้วอธิบายไปแล้วนะขันปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานฌานที่เราจะต้องรู้จักอารมณ์ของปิติวิปปกปิตกวิจารณอารมณ์ของปิติอารมณ์ของสภาพสุขหรือแม่อุเบกขาในที่นี้ใช้ภาษาอะไรจะไดว่าวาจาย่อมดับวิตกวิจารย่อมดับปิติย่อมดับลมอัสส ะ, ะสะัพพัสสะย่อมดับหรือย่อมนิ ระ ง, งับอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันไม่ใช่ว่าภาษาพาซื่อแต่เป็นภาษาที่สื่อให้เข้าใจในสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงอากาสารนัญจายตนวิญญาณัญจายตนซึ่งเป็นสัญญาเป็นการกำหนดรู้ถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นตัวจบถ้าจบสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วราคะโทสะโมหะของภิกษุ ผู้สินอาสวะย่อมดับหรือราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้ขีนาศบย่อมระ ง, งับราคะโทสะโมหะก็หมายความว่าหมดถอนรากถอนโค น, นราคะมูลโทสะมูลโมหามูลของภิกษุผู้ขีนาศบย่อมระ ง, งับตอนหลังท่านมาใช้คาว่าระ ง, งับที่อาตมาตั้งก็สังเกตให้ฟังอยู่แล้ว ว่าระ ง, งับท่านไม่ได้ใช้คำว่าดับแต่ตอนหลังพุภิกษุคีนาโสม ใ, ใช้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัสสัทธิด้วยไม่ได้ใช้นิรุท ธ, ธาหรือนิโรธนะใช้คำว่าปัสสัทธินในหข้อรวมแล้วก็คือเราจะต้องล้างหรือระ ง, งับทุรักทุสะมโมหะทุกขนาดทุกสภาพที่มันมีริษมีแรงมันมีเหลือ อยู่ในจิตวิญญาณของเราซึ่งจะต้องดูละเอียดตรวจตราจริงๆแล้วก็ทาฝึกฝนเป็นการศึกษาคุณพยายามที่จะทำอะไรกับวัตถุอะไรก็แล้วแต่เราพยายามที่จะทาให้อย่างเราจะทำให้มันสะอาดทาให้มันเรียบร้อยทำให้มันหมดหมองหมดมัวหมดคราบหมดคลอะไรต่างๆ เราก็มีความสะอาดที่จะรักสิ่งนั้นทา ร, รักสิ่งนั้นมากเราต้องการให้มันเกลี้ยงเกลาให้มันบริสุทธิ์สะอาดผุดพองแล้วก็ทํากับสิ่งนั้นโดยที่เรามีความถ้าใครจิตใจที่มีความละเอียดสุขุมประนีก็ทําเท่าที่เราจะมียานมีปัญญามีความรู้ว่าเราจะรู้ความสกปรกความไม่สะอาดบริสุทธิ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเสือ้อเป็นผ้าเป็นของตะเอียดสูงสง่งขนาดไหนก็ตามใจได้ของที่เรา รักของที่เราปรารถนาให้มันบริสุทธิ์สะอาดแล้วเราก็ทํากับสิ่งนั้นชั้นใดคนไหนทําอย่างทําเห็นว่ามีค่าอันนั้นสิ่งนั้นจึงมีค่าเราก็เช็ดมันมากแล้วก็ทําความสะอาดมากเหมือนตาเราอย่างนี้เป็นต้นลูกตาเราเมันมันต้องให้สะอาดเราจะทําความสะอาดในตาตามันจะมีขี้ตามันจะมีฝุ่นละอองมันจะมีอนุนิมาเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันสะอาดต้องเช็ดต้องทำาสะอาดอะไรเราไม่ต้องการให้มันเสื่อมง่ายๆในลูกตาของเราคนได้รักลูกตาอย่างไรก็ต้องทำกับลูกตาเราให้สะอาดสะอาดให้บริสุทธิ์ไม่ให้อะไรที่เป็นฝ้าละอองทุเรียอะไรทั้งหลาเข้าไปขัดไปเคืองไปทำให้มันเกิดสภาพที่จะเสื่อมจะเสียเราก็ต้องทากับตาเราอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่า กิเลสมันไปอยู่ในจิตจิตของเรามีค่าเหลือเกินเราจะต้องทําจิตของเราให้สะอาดเมื่อก็เราจะทําความสะอาดให้มันรู้ว่ามันเป็นทุกข์เทียบกับลูกตาเนี่ยมันชัดนะมันเป็นทุกข์เราก็ต้องทําให้ลูกตาเราไม่มีทุลีละององไม่มีอะไรที่เข้าไปขัดไปเคืองให้มันสะอาดชั้นใดเราก็ต้องทําสิ่งที่เป็นทุลีละอองของกิเลสราคาโทสัมโมหะให้ออกไปจาก จิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปชั้นเดียวกันแต่ทีนี้ความรู้สึกทุกข์ของสิ่งที่มันเป็นทุรีละอองที่มาเป็นพิษเป็นภัยต่อลูกตาเนี่ยมันชัดมันทุกข์ชัดมันมันง่ายมันเป็นวัตถุรูปมันมีประสาทอะไรอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นมันบอกเราเป็นประประสาทเลยนะมีท่อมีส่อะไรอะไรที่มันรับรู้สึกได้แต่จิตวิญญาณเนี่ย มันด้านชามันก็เป็นทุกข์นะเหมือนลูกตาแต่มันไม่มีท่อมันไม่มีสายมันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปมันไม่ใช่วัตถุรูปมันก็เป็นทุกข์เราก็จะต้องรู้ทุกข์้นนั้นให้ได้ในยะเดียวกันกับเรารู้ทุกข์ที่ลูกตาที่มันมีท่อมีทางอะไรมันมาทุกข์แล้วเราก็จะต้องเอาออกมันมีความสําคัญเหมือนกันนะยิ่งจวดยิ่งยอดเหมือนกันเลย เอาที่เราทุกที่ว่าตาเขาเรามีทุรีละอองเข้ามาขัดมาขว้างมาเคืองเหมือนกันมีความสําคัญเหมือนกันเพราะงั้นใครจะมียานละเอียดที่จะรู้ทุกขนั้นได้ในหลายหลายว่าอริยสัตว์รู้ทุกแบบเหมือนธุรีละอองมันมาขัดมาเคืองตาอันนั้เป็นรูปประธรรมแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่รูปประธรรมมันเป็นนามธรรมแล้วมันก็ชินชาหัดฝื้นหัดทนหัดอะไระอะไระมาได้ นอกจากหัดฟึ้นหัดทนแล้วยังไม่พอตรงผิดด้วยนึกว่ามันเป็นสุขที่จริงสุขไม่มีนึกว่ามันเป็นสุขด้วยตีกลับเลยนะนึกว่าเป็นสุขที่จริงมันเป็นทุกข์เหมือนกับผู้หญิงนี่เอาอะไรมาจิ้มลูกตามอาอะไรมาเขียนตานี่ย น, นะที่จริงมันเป็นพิษ ต, ตดตานะเอาธาตุเคมีอะไรมาเขียนมาทาม า, าระบายมาอะไรแต่ละเอาไว้นะนะ ในตาเนี่ยนะท่าอย่างมันเป็นทา่าเคมีเป็นผเป็นอะไรแต่ใดแต่ตานาน า, น า, นานมันไม่มีมากมันก็มีน้อยหนึ่งใช่ไหมคุณลองคิดดูสิแล้วเอามาจิม้มเอามาอบเอามารบเอามาทําอะไรว่าเนี่ยไม่รู้เลยถ้ามันแทบเข้าไปในตาก็แสบก็เจ็บแล้วเพราะเขาพยายามอยาให้มันเขไปเอามาแปะไว้นะเอาตรงผิวนี่มัง่งเอาเด็ขอบนี่มัง่งอะไรอะไรมัง่งโอ้ทาไมถึงพยายามกันจริงก็ไม่รู้น่ะ น้าจะถูกล้อวราว่ามันสวยว่ามันวิเศษว่ามันดีทำจังเลยอ่ะเอ๊มันเป็นยังไงก็รู้นะว่าแพัดกันไปน่ะบางทีไอมันอะไรมันมากมากนิดนึงก็เกิดมันก็แสบมันร้อนก็อะไรก็รู้นะไม่ต้องถือขนาดบางทีไม่มีทะลุละอองอันนั้นเข้าไปจิ้มที่ลูกตาหรอกนะแต่ก็ไปล่อไว้ตรงนั้นนะว่านักเสี่ยงนักตายริ้มเหว่หรือไงเสี่ยงทำนั่นนะเพราะหลงว่ามันสวยหลงว่ามันวิเศษหลงว่าม้วน อะไรแต่ไรที่เขาหลอกทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เคยนิยมกันมาก่อนแลวันเพิ่งจะมานิยมหลอกเองเราก็ผ่านไปเองเราก็ผ่านไปก็ไปอย่างอื่นอีกแหละก็ไม่รู้จะทําอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังมันถูกหลอกถูกหลงถูกหลอกแล้วก็ไปเชื่อถือตามเพราะในอารมณ์ของจิตก็เหมือนกันหลอกว่าเป็นรสอร่อยแล้วเราก็ไปหลงงมงายใยนเงิน ควาะก่จะรู้เนี่ยมันต้องโอ้โหต้องมีจิตใจที่ต้องมียานปัญญาที่ละเอียดละออกว่าจะรู้อริยสัจว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่มันเป็นสุขทำความสะอาดอย่างนั้นให้ได้นะ <c oughs> นทีนี้มาฟังเสริมนะสันลัทธะลลิงสัน ล, ะละะัทธ ะ, ะ, ะ, ะ, ะสูตรว่าโดยเวทนาเปรียบด้วยลูกศร <c oughs> ด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วนะหมายความว่าคนไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะแม้ได้สดับแล้วแต่ไม่เอาฐานนี่ไม่ต้องพูดกันนะไอ้ที่ไม่ได้สดับนี่นก็อีกมันก็น่าเห็นใจเขาคนที่เขาไม่ได้สดับนี่นะถ้าเขา้ามาได้สดับแล้วไม่ได้ฟังเขาอาจจะดีกว่า พวกเราหลายคนฟังแล้วได้ยินแล้วแต่ไม่เอาฐานอะไรเลยมันน่าเอากระบองที่เอาไปเจามาอลไว้ตีระครังไม่ตีเอาดีมนี่ปีนี้ได้รับกระบองสี่กระบองอเข้ามาไว้สําหรับให้ตีระครังโยนแหมหนักนะไม้แดงไม้ไม้เป่าไม้อะไรสี่อันให้ทีนี้ว่าอันหนึง่งเอาไปผูกหรือเปล่าไม่ทราบผูกตรงนั้นนะ ถ้าคืนยกตีอย่างนี้นะโอ้ก็ดีเหมือนกันนะกลามก็คงขึ้นนั้นล่ำอาแล้วมันมีลายที่แกะสลักด้วยมันคงจะบาทมือเอาเชือกมีมันมีที่ร่องๆของเอกที่เ้าทำไว้สองข้างเอาเชือกค้อยให้มันได้จังหวะดีๆแล้วก็โจทุงก็ทุงตีละครนี่เอาเอาแจกไปสี่อันก็สที่นสอันก็สพุทธสถานเดี๋ยวศีรษะมาเอาไ้อันนะ ศีรษะมาเลือกมาเอาไปอันหนึ่งมันเลือกแล้วเอาศีรษะให้อันสีทองเอาอันสีทองน่ดูดูไว้เหมาะแล้วอันไหนมันเหมาะก็นันไเพราะว่าระลึกดูตามาะระฆังของแต่ละที่ส่วนสตัตติอโศนระฆังเล็กกับเพื่อนเอาอันเล็กศีรษะเอาอันทองไปเลยส่วนปทมโศนใหญ่กว่เพื่อนเอาอันที่หนักที่สุด เลือกไว้แล้วอันที่หนักที่สุดเอาต่อแหมมีแวะเรื่อยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วคนละคนเลยนะอันหนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอีกอันหนึ่งอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็ย่อมสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกเวทนาบ้างอทุก กรทุกคมสุขเวทนาบ้างนะคือเสวยเหมือนกันแต่คนละคนนะฟังดูดีๆ ด, ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายในชนสองจำพวกนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นเครื่องทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับบุถุชนผู้ไม่ได้สดับพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานนีคล้ายๆกับว่าก็แล้วแต่ท่านจะโปรดเทิดไม่รู้หรอกแปลงง่ายๆบอกไม่รู้รอก็ท่านจะโปรดยังไงจะอธิบายยังไงโปรดเทิดพวกข้าพเจ้าก็จะตามท่านแหละว่าท่านเป็นต้นเขาท่านเป็นผู้จะสอนผู้จ ะ, ะแนะนําทุกอย่างและผู้ไม่รู้นั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทุกอย่างเป็นรากฐาน พระภูมิวภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศ ร, าร้าโศกร่ำไรรํำพันทุกอกคล่ำครวญย่อมถึงความงมงายเขาย่อมเสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจฟังดีๆนะปุถุชนนะนี่ปุถุชน ผู้ไม่ได้สดับเขาก็จะถูกเวทนาเมื่อถูกเมื่อเวทนามันเคี้ยวกลืนหรือเวทนามันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดนะความรู้สึกทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาเนี่ยจะได้รับทุกขเวทนาก่อนอันนี้ท่านบอกว่าทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศก ร, รําไรรําพันทุบอกทำครวนก็จะแสดงอาการสภาพพวกนี้ออกมาทั้งหมดนะแล้วก็จะมีมาตั้งแต่จิตด้วยแหละ สวัสดิทุกเวทนาครบทั้งสองอย่างคือทั้งกายเนะวทนาทางกายฟังดีๆแล้เนะวทนาทางกายและเวทนาทางใจโดยกระพิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรยิงซ้ําบุรุษนั้นโดยลูกศรดอกที่สอนะงคือเหมือนบุรุษที่ยิงลูกสอยิงดอกหนึ่งแล้วไม่พอยิงอีกดอกหนึ่งเลยสองซ้อนซ้ำอีก ก็มดเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสยเสวยเวทนาเพราะลูกศรอนสองอย่างคือทางกายและทางใจเรียกว่าสองดอกซ้อนเลยนะเจ็บสองสองเจ็บสองไม่ใช่เจ็บหนึ่งดูกระพิสุท์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันอันทุกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมโศกเศร้าย่อมเศร้าโศก ร, ร, ร่ำร่ไรรํำพันทุกอกท่ำครวนย่อมถึงความงมงาย เขาย่อมสวัสดิเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจอันหนึ่งเขาเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิฆะคือความอาการที่มันเป็นตัวผลที่เกิดตามมันเกิดตามอวิชชามันก็ปฏิฆะมีนอกจากได้รับทุกขเวทนานั้นแล้วนะสัมผัสได้รับทุกขเวทนานั้นแล้ว เกิดปฏิฆะซ่อนขึ้นมาอีกปฏิคานุใสเพราะทุกเขเวทนานั้นย่อมนอนตามเขามีสับแปรตามพยัญชนะเลยนะ<ๆ>เขาแปลเป็นไทยว่าย่อมนอนตามเขาปฏิคานุสสในย่อมนอนตามเขาแม้มีเพื่อน ม, มีปฏิคานุใสเป็นเพื่อนสองนะย่อมนอนตามเขาผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกเขเวทนาเขาเป็นผู้อันทุกเขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินกามสุข ทุกขุณเวทน า, เ, าเขาเครอบงาแล้วปฏิขานุสัยก็มาเป็นเพื่อนคือไปเติมขึ้นอีกนะถ้ามันเกิดมันก็คือเกิดปฏิขานุสัยเนี่ยมันจะเกิดหรือมันจะนอนตามนี่บอกใช้ศัพมาคือมันอยู่ด้วยเลยมันไม่ไปไหนแล้วมันก็จะมีตะหมกหมักเข้าไปด้วยกันเลยนะมีความขัดเคืองเพราะทุกขุณเวทนาปฏิขานุสัยนี่คือความขัดเคืองคือความก็ไม่ชอบใจนะคือความไม่ชอบใจอ ย, อย่าง สูงไม่ใช่อรติอร ต, อรติความไม่ชอบใจอย่างเบานะมันเบามันมันละเอียดส่วนปฏิฆาุสายัยีนมีสภาพที่พฤติกรรมของปฏิฆะนี่มันแรงกว่าอราตินะมันมีสภาพที่โทโทสมูลนั่นสายโทสัมูลมากความขัดเคืองไม่ชอบใจนี่มากนะ ม, มากกว่าอราติผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาเขาเป็นผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว เมื่อได้รับเมื่อเป็นเมื่อสามีสภาพอารมณ์ทุกขเวทนาแล้วถูกต้องนี่ยไหมรับว่ามันมันมั น, ม, นมันเกิดกับตัวจิตของเราแล้วย่อมเพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขนะนั้นเขาจะไม่รู้จักตัวเหตุก็จะไม่รู้จักตัวผีพวกนี้แล้วก็ก็จะ ทำอาไว้เสร็จแล้วเขาก็จะสั่งสมตัวนี่สายโทสะนะัตโทสะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสภาพที่ถ้าเผื่อว่าได้สมใจอีกก็เรียกว่าการมมรรคได้สมใจในความที่ตัวเองถ้าไม่ได้สมไม่ชอบใจที่ตัวเองไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้จะก่อให้เกิดสิ่งที่ตัวเองยึดติดไว้แล้วก็จะได้สมใจที่ตัวยึดติดอ จึงกระทั่งกลายเป็นลักษณะถ้าอธิบายซาดิสจะเข้าใจได้เจ็บได้ปวดซาดิสหรือว่าม า, มาโซคริสตพวกนี้นะได้ทํากับตัวเองหรือว่าทําให้คนอื่นเจ็บอะไรเนี่ยสมใจตบกามเป็นกามชนิดหนึ่งเป็นกามมรสุขนะซึ่งมันซ้อ น, นมันตีกลับไปกลับมาข้อนั้นเพราะเหตุอะไรอ๋อและเมื่อเขาเพลิดเพลินกามมรสุขอยู่นะย่อมไม่รู้บายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา มันมีทุกขเวทนาเป็นเหตุแล้วแล้วก็มาเกิดปฏิฆานุใสซ้อนนอนเนื่องนอนตามย่อมนอนตามถ้าอธิบายแล้วโอ้เป็นสภาวะธรรม ท, ที่มันไม่มีภาษาและภาษาบาลีมันก็สั้นๆแค่นี้แหละแต่ถ้าจะขยายเป็นภาษาไทยเนี่ยอธิบายไปอีกเยอะย่อมนอนตามเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยๆแล้วนะมันจะอยู่ด้วยกันมันจะเกิดปฏิฆะออกมาอีกมันจะมีอนุใสตัวร้ายนะครับมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกเป็นปฏิฆะนอกจากทุกขเวทนาซึ่งไม่เคยเคยดีอะไรแล้วนะ มีปฏิฆ ะ, ะแล้วก็เกิดหมกลงไปนอนตามนี่เกิดสังสมลงไปเกิดทําให้เรามีอะไรที่เกิดขึ้นอีกเป็นกิเลสที่ซับซ้อนแล้วก็สังสมลงไปอีกเพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าไม่รู้อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาตัวต้นเหตุคือทุกขเวทนาก็ไม่รู้ อ, อารมณ์ทุกขเวทนาไม่มีอุบายเครื่องออกที่จะสลัดออกนอกจากกามมุสุ มันก็จะกลายเป็นการมาสุขขันธิกาต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุที่เราสั่งสมจะเป็นสายโทสารุไสาราคาสายโลภากดตามและเมื่อเขาเพลิดเพลินการมาสุขอยู่ราคาุัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่องเห็นไหจะสั่งสมซับซ้อนเข้าไปอีกนี่ไม่สูตรธรรมดานะเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ซับซ้อนเข้าไปอีกเริ่มต้นจากทุกขเวทนา เสร็จแล้วเมื่อเขาเพลิดเพลินกามาสุขอยู่ราคานุใสเมื่อกี้ปฏิคานุใสเติมเข้าไปแล้วราคานุใสก็มาเกิดต่อเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่องเมื่อเป็นกรมาสุขเมื่อเป็นกามาสุ ข, ม, ม, สขมันก็จะชอบใจจนกลายเป็นสาดิษได้อย่างที่ว่านี่นอธิบายตัวชงสูงขึ้นไปมันจะกลายเป็นสาดิษได้ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานย่อมนอนเนื่องเหมือนกันนั่นแหละนอนเนื่องก็เหมือนกัน ย่อมนอนตามเขานั่นแหละมันย่อมมันก็จะต้องไมวก็ยิ่งนอนเนื้อในยิ่งตกปลักเลยเนี่ยตกคลักตกคลักคงจะรู้นะคำว่าตกคลักเป็นผลึกไปกเรื่อย ๆ, <S <S ๆเขาย่อมไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษไม่รู้จากเหตุเกิดความดับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษนะไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นคือความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นสุดท้ายมันเป็นการมาสุขหรือมันจะไปเกิดอะไรตทอะไรที่มันจะเป็นสุขมากขึ้นทุกขมากขึ้นคําเดียวคําเก่าทุกขก็ตามสุขก็ตามถ้ามันเข้าใจผิดซับซ้อนลงไปแล้วมันก็จะมันก็จะรับอุปทานอันใหม่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีก เขาจะไม่รู้เลยว่ามันมีเวทนากี่ชั้นเข้าใจไหมฟังออกไหมที่พูดนี่อธิบายไปแล้วมันซับซ้อนซับซ้อนมันเกิดกิเลสเข้ามาเป็นตัวเหตุปัจจัยเพื่อให้เขาได้สมมุติใหม่ขึ้นมาเมื่อก็คนกินอาหารกินอาหารชนิดหนึ่งรสขนาดนี้ตอนแรกคนที่หัดกินเผ็ดใหม่ๆ กินเผ็ดได้ขนาดนี้กินไปกินไปกินไปเรื่อยๆก็ซับซ้อนความชํนานาญนเนื่องความสามารถคงทนได้กินเผ็ดขึ้นกินเผ็ดแข็งขึ้นพิษดารขึ้นทีนี้ไม่ใช่เผ็ดธรรมดาพิสดารขึ้นมีแง่เชิงมีอย่างน้นอย่างนี้ขึ้นมาต่างๆนานานั่นแหละเป็นการมาสุขที่เขาซับซ้อนเขาเสริมรสเวทนารู้สึกอร่อยรู้สึกเผ็ดนี่อร่อยก็ซับซ้อนขึ้นไปได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกัน่ะ ผู้ปุตชชนผู้ไม่ได้สดับจะไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อกี้ยกตัวอย่างกินเผ็ดเนี่ยหนักเข้าพอเวลาไปติดเผ็ดในสภาพที่ซับซ้อนหลายชั้นปรุงแต่งอีกไม่รู้กี่ชั้นแล้วไอ้อย่างเก่าๆ ก, ก, ก่อนๆเนี่ยเป็นไงไม่อร่อยแล้วจืดมื่อลือดื่อแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องจัดจ้านอย่างนี้ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจึงมีกินเละที่หนาหรือว่ามีสมมุติที่หยาบคายมีสมมุติที่ซับซ้อน ในยะอย่างนี้เป็นเวทนาซ้อนเวทนาซ้อนเวทนาแต่ก่อนรู้สึกอย่างนี้ก็พอใจรู้สึกเป็นสุขเวทนาเท่านี้ก็พอใจต่อมาไม่พอใจตรงนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะสุขเวทนาที่จะพอใจถึงอย่างนี้ที่จะพอใจต่อมาถ้าไม่มีหยุดหย่อนเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะกลับไปกลับมาวนเวียนอย่างที่ว่าทําไมมาถึงไปชอบความทุกข์ได้ว่าเป็นสุขเห็นไหม อย่างพวกซาดิสเนี่ยทำไมมันไปชอบความทุกข์ได้มาเป็นสุขมันกลับไปกลับมามีอย่างเลยทำให้ตัวเองเจ็บปวดแล้วก็เป็นสุขเลือถ้าให้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเจ็บปวดแล้วเป็นสุขพวกซาดิสหรือพวกมาโซคริสเนี่ยซาดิสเนี่ยเป็นพวกให้คนอื่นเจ็บปวดให้เห็นคนอื่นจะปวดแล้วสุขใจ ส่วนมาสโควิสเนี่ยให้ตัวเองเจ็บปวดตัวเองเจ็บปวดแล้วก็มันโอ้โหอันนี้รายกาศนะมันถึงขนาดโอ้โหเลือดหลงเลือดไหลกรีดเลือดตัวเองแล้วเป็นสุขแมมันเป็นได้โอ้นี่แหละลักษณะเดียวกันนี่แหละลักษณะนี้เนี่ยมันถึงว่าตีกลับกันไปทุกอย่างมันเป็นอย่างงี้หมดแล้วไม่รู้คุณไม่รู้โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแข่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแข่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชานุใสทีนี้มาหมดทั้งตระกูลเลยอนุสัยมปฏิคานุใสราคานุสัสแล้วก็อวิชานุไส ราคานุสัยก็สายราคะปฏิฆานุสัยก็สายโทส์อวิชานุสัยก็สายทั้งตระกูลเลยเหมาหมดเลยโมหะนั่นแหละอวิชานุสัยเพราะอัตุกรมสุขคเวทนาย่อมนอนเนื่องทีนี้ก็เหมือนกับมันชินชาแล้วอัตุกขรมสุขคเวทนาย่อมนอนเนื่องถ้าจะอธิบายอย่างไม่ซับซ้อนเขาก็จะอธิบายเป็นสภาพตัวตัวผู้ที่จะศึกษาหรือผู้ที่จะเรียนสูตรนี้ก็จะอธิบายว่า อ๋อเวทนาที่มันเป็นปฏิคานุสัสก็เป็นทุกขเวทนาเาก็แยกไปสุขเวทนาก็ราคานุสเยาก็แยกไปอวิชาก็คืออัอุกรมสุขเวทนาก็แบ่งแยกเป็นเวทนาสามเวทนาปฏิคานุสัยก็ก่กอให้เกิดทุกเวทนาราคานุสัยก็ก่อให้เกิดสุขเวทนาอวิชานุสัยก็ก่อให้เกิดอทุกรมสุขเวทนา ก็จะอธิบายเป็นอย่างๆนั้นก็ได้นะอย่างที่เป็นอย่างๆเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนก็ได้แต่นี้อธิบายซับซ้อนให้คุณฟังประเภทซับซ้อนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุเขเวทนาย่อมนอนเนื่องเขาย่อมเสวยสุขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นย่อมเสวยอทุกขมสุเขเวทนา เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเขเวทนานนั้นพอมาสุดท้ายนี่ก็อธิบายสรุปหมดแล้วไม่ใช่อธิบายเราท่าน ก, ก็อธิบายนั่นแหละนะท่านกับบรรยายเอาไว้มันดูแล้วมันก็แม้นี่ก็คงแปลมาเต็มภาษาบาลีแล้วล่ะนะมาแปลเป็นไทยเนี่ยมันได้อย่า ง, งนะี้ผู้แปลก็คงแปลมาเต็มที่แล้วล่ะนะนะลองอ่านดูอีกทีนึงนะ ไม่รู้คุณไม่รู้โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทุกขเวทนานั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นคือปฏิคานุสัยและราคานุสัยนะซึ่งมันจะเกิดเวทนาซับซ้อนอย่างที่ว่าเมื่อไม่รู้จักสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาย่อมนอนเนื่อง ถ้าฟังดีๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมันไม่ได้เป็นแบ่งแยกว่าปฏิการนุสัยก็คือทุการาคานุสัยก็คือสุขคเวทนาวิชานุสัยเพราะก็อัตุกรรมสุขคเวทนาฟังดีๆเห็นไหมที่อ่านไม่ฟังมันจะไม่เป็นภาษาที่ว่ามันแยกเป็นคนละเรื่องแต่มันซับซ้อนอย่างที่อาตมาอธิบายแต่คนจะอธิบายสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนซับซ้อนอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ยากหาได้ยาก นี่ไม่ได้ชมตัวเองนะเพราะว่าไม่ต้องชมมันก็เจ๋งอยู่แล้วนะอ่ า, า, ามันก็เป็นภาษากรบเกลือนไปอย่างนั้นเนี่นะกรบเกลือนว่าจะชมตัวเองสักทีนั่ก็ใช้ภาษากบเกลือนหน่อยหนึ่งแต่จริงก็ชมตัวเองนะเอวิชานุสัยเพราะอุทุกรรมสุขเวทนาย่อมนอนเนื่องเขาย่อมเสวยสุขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้น นี่เป็นตัวสรุปลงมาเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นกิเลสในลักษณะทุกลักษณะอนุสัยทุกลักษณะอนุสัยเขาเพราะไม่รู้เป็นขั้นอย่างที่อาตมาว่าไม่รู้วิธีดับไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ว่ามันซับซ้อนกันอย่างไรไม่รู้สภาพตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปลายเขายาอเสวยสุขเวทนาเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกสุขเวทนานั้นย่อมสเสวยทุกเวทนา เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกเวทนานั้นและย่อมสเสวยอทุกขมสุขเวทนานนเป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นตีความสรุปหมดเลยเพราะไม่รู้อะไรสักอย่างมันก็เลยซับซ้อนอย่างไม่รู้อะไรไปหมดดูกระพิสูจน์ทั้งหลายพุทุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยทุกข ใครสงสัยใครไม่รู้เรื่องไอตัวสรุปนีตีหัวเขาบ้านไม่ต้องอยากอะไรไม่ต้องอธิบายดูระพิสูจน์ทั้งหลายฝ่ายอริยะสาวกผู้ได้สดับอันทุกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่รำราไรไม่รําพันไม่ทุกอกคร่าครวญไม่ถึงความงมงายเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวฟังให้ดีนะ นี่แหละเป็นทุกข์ที่มันมีขันธ์ห้าแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกนี่จะเข้าใจรู้จักทุกทางใจและก็รู้จักทุกทางกายนะเพราะแม่จะมีเหตุปัจจัยอย่างไรนะมันจะไม่เกิดปฏิกิริยามัไม่เกิดอนุสัยมันจะไม่เกิดความนอนมันจะไม่เกิดการสั่งสมมันจะไม่เกิดอะไรๆมันจะเป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้น อาตมาเคยบอกแล้วว่าเอทาหน้ า, นาพระอระหันต์เจ้าที่บอกว่าอย่างที่เขาอธิบายกันแล้วเนะ่ยเป็นคนเป็นพระอระหันต์ประเภททิพาซื่อแบบเขานี่นะว่าไ ม, ไม่ไม่มีทุกข์ไม่เป็นไรเอามาขบองตีกระ บ, บาสักเปลี่ยนะให้แตกเลยนะดูสิให้ช้ำเลยนะไม่เจ็บก็ไม่ร้องโอยก็ร้องได้มากัดฟันเก่งๆมาตีสักสิบปาบหมัดนี้ไม่ร้องอีอออหมัดไหมเอาไหมไหวไหม มันเป็นสภาพของปฏิกิริยาของกายมันก็เจ็บเพราะฉะนั้นทุกทางกายเราก็รู้แต่ใจเราไม่ได้เกิดโกรธไม่ได้เกิดเครืองไม่ได้เกิดถือสาไม่ได้เกิดผูกพยาบาทไม่มีโทสะไม่มีโลภไม่มีโมหะอะไรรู้ของจริงตามความเป็นจริงนั่นคือพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เจ็บไม่ปวดนี่เดี๋ยวนี้พาซื่อก็ยนกระทั่งปฏิบัติธรรมะไม่เป็นย่อมเสวย เวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจดูกะพิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองผิดไปนะรับลูกศรดอกเดียวนะพระอริยเจ้านี่จะรับลูกศรดอกเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาพราะลูกศรดอกเดียวดูกะพิสุท์ทั้งหลาย อริยาสาววผู้ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้อันทุกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่รำไรไม่รำพันไม่ทุบอกทาครวญไม่ถึงความงมงายเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจเพราะใจฉลาดเพราะใจรู้ทันเพราะใจเข้าใจอสภาพอันหนึ่งเธอย่อมไม่มีความขัดเคืองไม่เกิดปฏิานุสัยนะ ย่อมไม่เกิดขัดเคืองย่อมไม่สร้างกิเลสขึ้นมาใหม่ปฏิฆะแล้วก็จะนอนเนื่องลงไปนอนตามเขาน่ะแล้วก็จะสั่งสมปฏิฆะขึ้นมาเสริมแล้วก็ซับซ้อนลงไปในจิตอีกนะเธอย่อมไม่มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้นปฏิฆานุใสพระทุกขเวทนานั้นย่อมไม่นอนตามเธอไม่มีใครมานอนด้วยไม่ใช่รามกนะเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรมานอนด้วยไม่มีอะไรสั่งสมไม่มีอะไรที่จะมา ทำปฏิกิริยาเรื่องว่ามาเกิดหมักหมมแตกตัวก่อวอดก่ออะไรขึ้นไปอีกนะย่อมไม่มีย่อมไม่นอนตามเธอผู้ไม่มีความขัดเคลืองเพราะทุกขเวทนานะเธอผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินกา ม, มาสุขเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีกิดสภาพซับซ้อนอะไรเกิดขึ้นมาอีกเธอผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินการมมาสุขข้อนั้นเพราะเหตุไร พระอริยสาวกผู้ได้สดับนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากการมาสุขนะมันอย่างเก่านะภาษามันอย่างเงี้ยภาษาบาลีภาษาธรรมะขั้นลึกแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนที่อ่านแล้วอัตมาเชื่อแน่ว่าต่อให้จบด็อกเตอร์มาเจ็ดใบมาอ่านอันนี้นะถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมมานะให้ฉลาดจบดอกเตอร์มาเจ็ดใบเลยนะ ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกแต่อ่านภาษาออกทั้งนั้นเนี่ยคำว่ามลอกนอกจากแปลว่าอะไรก็รู้คําว่ากรรมมาสุคให้แปลว่าอะไรก็รู้ต่อให้เรียนป ร, ริยนเก้ามาด้วยจบประเรนสิบแปมาอีกก็ได้ถ้าไม่ได้เรียนสภาวะไม่ได้เรียนธรรมะที่ถูกต้องเรามาอ่านเข้าใจภาษาหมดเรียนภาษาบาลีเรียนภาษาอะไรมา ช, ชัดเจนหมดนี่แปลมาจากบาลีเองด้วยซ้ําก็ได้นอกจากกรรมมรรค เป็นอย่าง ไ, ไงผู้แปลมานี่ก็ปริยเนียนเกาๆทั้งนั้นแหะ น, นี่แต่แปลมาเนี่ยแต่ตมาท้าให้ด้วยว่าไม่เข้าใจซับซ้อนไม่เข้าใจลึกซึ้งต่อสภาวะนั้นได้จริงนะแล้วจะมาอธิบายคลี่ความออกมาอย่างที่อตาตมาพยายามค ล, คลี่ให้คุณฟังเนี่ยนะคลี่ออกมาต้องเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้คลี่มากนะ้นี่นะเดี๋ยวไว้สักครู่นะย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากการมาสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินการมมาสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องเนี่ยมันจะมีสภาพซับซ้อนเข้าไปอีกเมื่อไม่เพลิดเพลินกับการมาสุขที่เราไปเข้าใจผิดที่มันจะเกิดซับซ้อนนั้นราคานุใสเพราะสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องย่อมไม่มานอนตามเราอีกย่อมมันเสริมนอนเนื่องเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งไม่มีเธอย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอวิชานุสัยเพราะอุทุกข์มสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนอุทุกมขมรรคเนืนเมื่อเวลามันเป็นแล้วเนี่ยแม้เจ็บมันก็ยังกลับเป็นตีลังกากลับไปอร่อยได้อีกอย่างที่เป็นบอกว่าซาดิสอย่างเป็นต้นหรือมาโซคริสอย่งเป็นต้นเห็นไหมมันจะกลับไปอย่างนั้น ผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอาตมากรรมนุชจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะซาดิสซาดิสม์กามสุคขิสอาตมากรรมนุชจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรชอบความรุนแรงสะใจที่ตัวเจ็บสะใจที่ให้เห็นเขาเจ็บซาดิสสะใจที่เห็นเขาเจ็บสะใจที่ทำให้เขาเจ็บได้นะซาดิสมาสุคขิสสะใจที่ทําให้ตัวเองเจ็บลงไปได้ แปลเป็นไทยว่างี้แต่มันไม่มีศัพท์มันไม่มีศัพท์คําเต็มของมันแต่นี่เป็นภาษาฝรั่งเขามีนะสนาดิสซึมกับมาสกิส ม, มันเป็นสองอย่างนะอัตมาก็เอามาใช้อธิบายประกอบเราจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะเมื่อเธอรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับ เ, เลยไม่เปล่าเมื่อเธอไม่เพลิดเพินกับสุขราคะนุสัยพระสุขเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องเธอย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงอาวิชานุสัยเพราะอัตุกรมสุขเวเวทนาย่อมไม่นอนเนื่องถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสนนถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจาก กิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าสเสวยอทุกขมสุ ข, ขเวทนาย่อมไปผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุ ข, ขเวทนานั้นหมายความว่าเมื่อผู้ใดมีจิตเข้าไปสเสวยอารมณ์ไปสเสวยสุ ข, ขเวทนาเพราะเรารู้นี่เรารู้คุณรู้โทษ ร, รู้ความดับมีอุบายเครื่องออกเพื่อที่จะดับสุ ข, ขเวทนาบอกแล้วว่าดับหมดทุกเวทนานะเราฟังมาแล้วว่าดับหมดเลยแล้วไปดับพาซื้อ ถ้าเข้าใจไม่ได้ก็กรดับพาซื่อแต่ความจริงไม่ได้ดับพาซื้อดับเวทนาที่ว่านี่นะไม่ดับทั้งสุขขออภัยไม่ใช่ไม่ดับดับทั้งสุขเวทนาดับทั้งทุกขเวทนาไอ้ทุกขเวทนานะั้นแน่นอนคนปกติก็จะต้องดับก่อนแน่นอนแต่คนที่ถึงปกติก็ตามทําไมลึกซึ้งอีกก็ไปติดสุขเวทนาเราไม่ติดสุขเวทนาสุขเวทนานั่นแหละเป็นตัวร้ายกว่าถ้าเข้าใจชัดๆมันเป็นตัวที่ทําให้คนหลงสบัดเลย ที่จริงมันไม่ใช่ตัวเหตุมันเป็นพ่อของเหตุสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ตัวเหตุแล้วนะมันเป็นพ่อของเหตุเลยทีเดียวนะนะมันไม่โทษของเหตุเลยนะมันรวงคนมานานแล้วสุขเวทเพราะฉะนั้นศา ส, สนาพุทธไม่มีสุขศา ส, สนาพุทธไม่มีสุขมีแต่ความสงบระ ง, งับแล้วก็ขอยืมคาว่าสุขมาเรียกลำลองเท่านั้นเองว่า มันวูปสมัวสุขมันสุขอย่างว่างๆสุขอย่างระงับสุขอย่างไม่มีตัวบำเรอบำบัดมาจากต้นเหตุต้องการอย่างนี้ก่อนแล้วได้อย่างนี้เรียกว่าสุขไม่ใช่มันปกติมันไม่ไม่ไม่ได้บำเรอบำบัดอะไรน่นะมันมันยากนะถ้าถ้าไม่เข้าใจจริงจริงถ้าไม่รู้ตัวสภาพพวกนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นเลิกได้ง่ายอย่างไงแม้ที่สุดว่าอุทกขมข อทุกข์มสุกเพราะด้านชาเราต้องขออธิบายตรงนี้ซะก่อนคนอนทุกข์กมสุขเพราะด้านชาอย่างที่อธิบายเมื่อกี้แล้วว่ากินเผ็ดแล้วเผ็ดมันด้านชาแล้วเฉยๆแล้วไม่สูงไม่ทุกแล้วไม่มันแล้วแต่ไม่ใช่สภาพไม่มีสภาพเหตุปัจจนะัยน่ะร้อนแรงและหยาบแล้วนะมันต้องต้องการกว่านี้ อย่างนี้ประเภทที่เสริมความด้านชาเข้าไปอีกก็คงกว่าจะล้างออกย้อนกลับเข้าไปกว่าจะหมด ย, ยิ่งหนักนั่นหนึ่งนั่นแสดงว่าอาวิชชาเดินหน้าอัตุขมสุกที่ว่านี่นะนี่ท่านบอกว่าอัุอวิชชาเพราะอัตุขมสุกย่อมไม่นอนเนื่องนี่นะมันซับซ้อนสั่งสมความอัตุคมสุขอย่างด้านชาอย่างด้านชาอย่างประเภทที่ว่ามันไม่รู้ตัวเลยแล้วเป็นอวิชชาจริงๆ ทีนี้อัทุกขมสุขอย่างทางด้านสายนิโรธวานสายระ ง, งับมันก็จะออกมาเป็นอัทุกขมสุขอุเบขาวางเฉยได้อย่างสะอาดขึ้นมาแต่ไปติดเป็นอัตตาเข้าใจไหมมันจะละเอียดละออกมาทางนี้อทุกขมสุกนั้นแหลอัตตาจริยาบด้วยด้วยกิเลส ท, ที่หนานอนเนื่องและหนาขึ้นนาขึ้นนาขึ้นนาขึ้นน า, น, น, า น, น, า น, นาขึ้นโดยไม่รู้เรื่องต่อไป เพราะฉะนั้นคนนี้ก็มีแต่เดินทิศทางไปเรื่อยเหมือนปากกลวยไปเรื่อยโงอีกหน่อยเบเร่เลยอทุกข์มสุขของเขาเบเร่เลยมือก็คนที่ฝึกหัดจัดจ้านนี่อย่างคนกินเผ็ดก็ตามคนกินน้ําร้อนอย่างอัตมาเขายกตัวอย่างน้ําร้อนเหมือนกันแหมพวกคนจินกินน้ําร้อนสุดก็ไปปากพองของเขาเฉยเก่งด้วยนะทําให้ปรส า, า, าททําให้อะไรแต่นี้ไม่เติดปฏิกิริยาปากพองได้ด้วยนะกินเฉยนะ กินเดือดเดือดจริง ๆ, ๆ, ๆเลยนะเดือดเดือดเลยนะองศาเอาเทอร์โมมิเตอร์ ว, อร ว, อรวัดได้เลยเดือดเดือดเนี่ยมันเราไม่ต้องถึงขนาดร้อองศาอย่างเขาหรอกพองพองเลยแต่เขาอาตมาเคยลองมาแล้วถึงในมาพูดแหมกินเข้าไปได้อย่างไงไม่ต้องยังไงถ้าเข้าใจแล้ววันถงสงสัยเขาก็ฝึกจริงๆแล้วก็เป็นได้นั่นแหะมันจนกระทั่งปฏิกิริยาของจิตนี่มีอํานาจพิเศษที่จะทําให้ ไปปฏิของผิวเซลล์อะไรจะใดไม่เป็นปัญหาทนได้ไม่เกิดอะไรได้คิดดูสิจิตมันมีพลังถึงขนาดนั้นจิตมันมีความอุปทานถึงขนาดมันอย่างที่ประเภทให้มันเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เป็นแต่เป็นก็เคยอธิบายฟังแล้วเคยสืบกดจิตเที่ว่วานิยเอาไหมบรรทัดนนาบกันนั้นเระบอกบนี่เปลกเผาไฟแดงๆนะเอาดินส อ, อนดูไหมบรรทัศ หน้าลงไปที่แขนนะภาพนี้สลั ด, ลดร้อนราบแดงพืนพองขึ้นมาเลยนั่นนี่ไมบรรทัดมันมีอะไรมันไม่มีความร้อนอะไรมันไม่มีอะไรเลยดินสอแท่งหนึ่งไม้บรรทัดอันหนึ่งพองเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยอุปทานมนุษย์นี่มันเหลือกําลังไม่ให้มีก็ได้ให้มีก็ได้ให้หายไปก็ได้ไม่มีเลยให้มีก็ได้ นี่ละคือความบ้าที่คนเราไม่เข้าใจเท่าทันว่าจิตปัญญาเนี่มันบ้าได้ขนาดไหนที่จริงมันเป็นกิเลสก้อนพลังจากจิตนั่นแหละมันสมผส ม, มรวมกันนะเข้าใจอัตุครมสุขสองด้านนะอัตุกรมสุขประเภทที่เราว่าสั่งสมกิเลสจนด้านชานั่นแหละจะเป็นซาดิสเป็นมาสกุริสต น, นั่นแหละจะเป็นซาดิสเป็นมาสกุริสส่วนทางด้านอัตุกรมสุขมาทางด้านที่ละไนคลายจางเป็นนิโรธวานมานี้ มันก็จะถ้าไม่รู้สุดท้ายว่าแม้เป็นอุเบกขาหรือเป็นอัทุกขกมสุขแล้วล้างสะอาดแล้วก็จะไปหลงไหลว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วสเสวยว่าเราจะต้องมีอัตตาอยู่ก็แสดงว่ายังติดอัตตายังมีอัตภาพอยูอ่จะไปดูอยู่กับพระเจ้าสวงสวรรค์ทาสะอาดแล้วไปอยู่พระเจ้าสวงสวรรค์ไหนมันก็เป็นพุทธเกษตรอยู่นั่นแหละ แต่ถ้าเผื่อว่ารู้แล้วจะวางเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทําหัดวางแม่อุเบกขาฐานอาศัยไม่หลงไหลว่านี่เป็นเราเป็นของพิเศษะสะอาดบริสุทธิ์แล้วจริงๆขนาดไหนก็ตามก็จะต้องรู้ว่าต้องพลากจากกันกับความรู้สึกเวทนานี้เวทนาอุเบกมสุขนี้ก็ต้องพลากจากกันเวทนาก็ไม่ใช่เราเวทนาอุเบกขาเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่อุเบกขาเวทนา ต้องมีแยกอีกอักอนหนึ่งมาถึงจะศูนย์อัตภาพนะอธิบายจบแล้วนะถ้าขยายอีกก็วนเวียนอีกเมื่อก็ถามสมถานนั่นแหล ะ, ะสองชั่วโมงก็ยังไม่พอ อ, อย่างเดิมนั่นแหละไม่มีปัญหาฟังไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนาถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจาก กิเลสเสวยทุกเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ประสปาศจากกิเลสอทุกขมสุขเวทนานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะไปเสวยเวทนาอย่างไรก็ตาม <c oughs> จะเสวยอทุกขมสุขจะเสวย สุ ข, ขเวทนาจะเสวยทุกขเวทนาก็ตามย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพราะรู้อุบายเครื่องออกเพราะรู้ความดับเพราะรู้ของคุณรู้โทษย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวย อ, อทุกขมสุขนั้นดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วนี่เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาสะ เราย่อมกล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกดุกริพลิสูจน์ทั้งหลายนี่แหลเป็นความพิเศษที่แปลกกันเป็นความเป็นเครื่องกระทําให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับยพราะนัปุตตชนผู้ไม่ได้สดับไม่ต้องกล่าวเลยขนาดพวกคุณว่าพวกคุณนี่มีเชื้ออริยะเข้าไปบ้างเลยน ะ, นะทำยิ้มกลิ่น มีเชื้ออริยะสาวกเข้าไปบ้างทายิ้มกลิ่มขนาดนี้ยังขนาดนี้แล้วจะป่วยการกล่าวไปยังกับผู้ไม่ได้สดับหรือสับก็ไม่รู้เรื่องนอกจากสับไม่รู้เรื่องแล้วยังจะเอาเราตายอีกด้วยแล้วจะไปพูดกันยังไงนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดกันดีกว่า อ, อย่าพูดกันดีกว่า พูดกันก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะ ก, กันเปล่าๆพราะนีะ่ก็พูดกันเรื่องอะไรอะไรที่จะพัว พ, พ้พออกสงเคราะห์กันได้เป็นไงไม่มีข้าวกินเนอะเอาข้ากินเถอะนะครั้นี้ก็พอ <c oughs> เกิดคุณกันไปตามประษาถ้าจะเอาธรรมะอะไรเดี้ยมันก็เกิดมานะมันก็เกิดทะเลาะบอกแว่งว่าเองพูดผิดเองแปลผิดเองอธิบายผิดเองจะมาทําลายพุทธศาสนานะอ้าวก็แล้วไปจบผู้ที่รู้แล้วว่ามันพูดกันไม่ได้ก็ต้องจบพูดที่เขา ไม่รู้เขาจะต้องพูดอยู่นั่นแหละเพราะเขาจะต้องเอาชนะขาคาลเราแพ้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไระสรุปในข้อต่อมาที่ท่านสรุปอริยสาวกนั้นเป็นผู้มีปัญญาทั้งเป็นพระหุสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานไม่เสวยนี่แหละเป็นความแปลกกันระหว่างทีรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนธรรมส่วนที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยีจิตของอริยสาวกนั้น ผู้มีธรรมะอันรู้แจ้งแล้วเป็นประหุสูดเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านยอมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิถารมอันหนึ่งเวทนาอันเป็นอันนึ่งเวทนาเป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละคือไม่มีเวทนาอะไรแล้วนะอันนึ่งเวทนาเป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้นี่เรีวยกว่าดับเวทนาใช่ภาษาสุดท้ายแล้วมันจะต้องดับเวทนานี้เป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะแม้แต่อุทกขมสุ ข, ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนามันก็เวทนาที่อาศัยเป็นฐานานิพพานในขณะเรามีรูปนามขันธ์ห้าไม่ทุกขไม่สุขแล้วก็เหลือแต่ว่าเฉยๆใช่ไหมแต่มันก็เป็นเวทนาหนึ่งที่จะรู้สึกและคุณก็จะต้องไม่หลงว่าเวทนานั้นเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นตัวท้ายแต่คุณยังไม่ตายอยู่ตามใดคุณยังจะต้องมีรู้สึก สุดยอดแล้วก็ต้องอาศัยฐานอุเบกขาฐานที่ปริสุทธามุตตปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราอยู่อย่างนั้นแหละแต่นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเจตสิกหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะงั้นผู้ที่ฉลาดถึงขั้นๆอย่างที่ว่านี่เป็นผู้รู้ซึงรู้จบอย่างนี้จึงสรุปได้ภาษาว่าเวทนาเป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้ แต่มีเวทนาไหมในขณะมีขันห้าก็ ม, ามันมีอยู่แล้วเวทนาขันห้าก็คือเวทนาหนึ่งแล้วก็ขันหนึ่งของของขันห้านะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในที่ขณะที่มีขันห้าอยู่เป็นสุปัติเสสนิาพานก็จะต้องอาศัยเวทนาหนึ่งแต่เวทนานั้นไม่ใช่เราคุณจะต้องหัดวิมุตจะยังปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่วิมุตจะยังปล่อยอยู่มันไม่ใช่เรานะ ต้องฝึกซ้อมต้องทำจริงไม่ใช่ได้แต่รู้ต้องไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเพราะนั้นในขณะที่ไม่ติดการอยู่เฉยหรือการว่างเฉยเนี่ยก็เป็นความรู้เป็นปัญญาของอริยะสาวกเพราะนั้นเราบอกเฉยไ ม, มว่ว่างดีวางนี้นั่นแหละไปเลยขึ้นนักเข้ากันไปเลยเป็นมาสุขเป็นรุสีไปเลยจมแล้วไม่เกิดคุณค่าอะไรเพราะนั้นการสลัดคืนปฏินิสสักขะก็คือเราจะต้องรู้ว่าเมื่อว่าง ก็อย่าว่างมื่อว่างก็อย่าว่างเมื่อไม่ว่างจงว่างจบนะถ้าไม่จบวันเดียวก็วนอีกแล้วต้จบไปก่อนอันนี้เวทนาเป็นอันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอริยาสาวกนั้นไม่ยินดีและไม่ยินร้ายอริยาสาวกนั้นรู้ทางดาเนิน อันปราศจากทุลีและหาความโศกไม่ได้ผู้หาความโศกไม่ได้ในชื่อว่าอะไรกเก่งอริยาสวนาวอนั้นรู้ทางดําเนินอันปราศจากทุลีและหาความโศกไม่ได้ย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบรู้โดยชอบย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบรู้โดยชอบนี่จบสูตรนี้น ถ้าฟังดีๆแล้วก็ได้ศึกษามาดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าสูตรนี้หลายคนอาจจะเคยอ่านผ่านพูดที่เคยอ่านพระเตปิโดกแต่อ่านแล้วก็มีปัญญาเข้าใจตามที่เราเข้าใจทีนี้พอฟังอาตมาอธิบายคร่าวๆมาแล้วนี้ก็จะรู้ว่าเอ้มันไม่เหมือนเราเข้าใจนะใช่ไหมไม่รู้ทางด้านไม่รู้แลาวา้วรารวะบางคนก็อาจจะเคยอ่านหรือบางคนประเรียนป ร, รินอาจจะเคยอ่านมา แต่ส่วนมากรประเรียนเขาบอกว่าเรียนก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกรอกไปอ่านโน้นอัธกถาจาร์โนนไปอัดไปอ่านคําของอัธกถาของดีกาอ่านพิสุทธิมรรคไปอ่านอะไรโน่นส่วนมากสอบก็ไปออกข้อสอบอยู่ที่โน่นมากพระไตรปิฎกไม่เคยสอบรอกเพราะอาจารย์ก็ไม่ค่อยขยันเปิดพระไตรปิฎ ก, กเท่าไหร <laughs> ่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ เอาเล่มเดียวก็พอแล้วก็หากินได้เยอะแม้เล่มเดียวก็โอ้ยถ้าจะออกข้อสอบแล้วก็ไม่ยากหรอกที่จริงอาจมาเคยเป็นครูออกข้สอบไม่ยากหรอกจะแกล้งนักเรียนก็ไม่อยากหาหมุมที่จะให้นักเรียนสอบตกก็ไม่อยากจริงๆนะก็ท่านสมณะทั้งหลายแหละนี่แหละคงเคยอ่านผ่านสูตรพวกนี้มานะแล้วก็จะได้เห็นว่ามันลึกซึ้งและมันก็มีนัยยะที่จะต้องเข้าใจแล้วมีสภาวะจริงๆที่จะรู้ว่าแม้กล่าวถึงเวทนาแล้วเป็นปรัมมัทธธรรม ยิ่งเข้าใจถึงเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งเป็นเวทนาที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เวทนาที่ว่านี่เมื่ออ่านอันนี้ให้คุณฟังแล้วก็มีเนื้อความที่ขยายให้ฟังบ้างคร่าวๆแล้วคุณจะเข้าใจไปถึงว่าสุดท้ายที่บอกว่าสัญญาเวทียตนิโรธนั้นคือผู้นะสัญญาจะเวทนาจะ นิรุธาโหติเขาก็แปลโดยพยัญชนะออกมาปังเนี่ยดับย่อมเกิดความดับสัญญาเวทนาใช่ไหมปรียนใครปเรีย น, รรยนไม่ต้องเอาถึงเก้าเราเอาแค่สามก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมอาจมาไม่มีป ร, รียนสักปรเรียนก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมากนะเนี่สัญญาจะเวทนาจกนิรุธาโหติก็ ก็ย่อมน่ยย่อมโหติก็คือก็ย่อมเกิดสภาพอย่างนี้นั่นแหละเนยโหตินี่ย่อมเกิดสภาพสัญญาและเวทนานิรุ ธ, ธาเาก็แปลว่าดับย่อมดับย่อมเกิดอย่างเงี้ยย่อมเกิดสภาพดับดับหมดดับเวทนาดับสัญญาแล้วคิดดูซิแล้วมันไม่เป็นฤษีะอะไรยังไงแล้วคำสอนพระแตปิโด ก, ก็แปลกันมาอย่างนี้ทั้งโลกฝรั่งก็แปลกันอย่างนี้ด้วยกันนะทั้งโลกนะไม่ใช่ใ น, ในประเทศไทยนะ พระเจ้าอาตมาอธิบายออกมานี้ว่าไม่ได้ดับเวทนาไม่ได้รับสัญญาเถียงนักพุทธธรรมพุทธศาสนาทั้งโลกฟังเอาไว้นะตำราของริชเดวิดของตำราของนักธรรมนักบาลีทั้งหลายที่ระดับโลกเขาถือกันอะไรกันเนี่ยจะเป็นคนอื่นก็นแล้วแต่เถอะทั้งโลกจะต้องเถียงอาตมาทั้งโลกอาตมาจะต้อง แปลผิดกับเขาทั้งโลกเรื่องนี้นี่ใหญ่กว่าไอ้ที่แปลขี้มูขี้หมาที่กำลังแย่งอาตมาที่ว่าบทเทวอาตมาแปลบาลีผิดแล้วเขาก็แยงแล้วนะแค่์อุปสัมบันิอนุสัมบัติโถอย่างพึงเกิดกาวที่หนึ่งของบันไดนี่สัญญาเวทิจในโรสัญญาดับสัญญาเวทนาเนี่ยกาวนิพพานนะนี่ตัวสุดท้ายนะสุดท้ายนะนิพพานนะ ย่อมทำให้หลักการพุทธศาสนาเสียผู้ไม่ซื่อตรงต่อหลักการของพุทธศาสนาอย่างนี้ควรจะออกไปจากพุทธศาสนาได้แล้วใช่มนี่ยิ่งยิ่งกว่าอุปสมบัตอนุสมัติยิ่งกว่าพระหูสัจจะพระหูสูตรยิ่งกว่านันอธรมาแค่ขายายความพระหูสูตรพระหูสัจจะแค่นั้นจะเอาอธรมาตายไล่ออกอธรมาออกจากพูดแล้วตอนนี้ต้องไล่อีกสามตลบ ต้องออกจากพุทธไปอีกสามตลบออกตลบเดียวยังไม่พอต้องให้ห่างห่างจากพุทธไปอีกสามตลบอย่างให้มาใกล้ถ้าคืนใกล้แลยวเชื่อมาเชื้อโพธิรักนันเข้ามาสู่ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้ น, นอกจากนอกจากไล่นอกจากออกจากศาสนาพุทธแล้วคงจะต้องไล่ออกจากประเทศอีกด้วย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ แล้วฟังดูดีๆมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอัตมาถึงเห็นใจเห็นใจถึงเข้าใจว่าโอ้โ oh, ห oh, จะแก้ฤาษียังไงอัตมาตอนแรกถึงรุนแรงกฤาษีมากพวกเราจงกระทางมานั่งเจโตสมุทตะก็ไม่เอาแล้วอะไรรุนแรงกฤาษีมากตอนแรกมาถึงเลยจะทํำยังไงเนาะเนี่ยพวกเราไปหลงไหลได้เพิ่ม <c oughs> ติดอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> อัตมาถึงต้องแก้ปมเนี <c oughs> เน่เป็นเรื่องที่แรงเป็นเรื่องที่จัดเป็นเรื่องที่ ไอเนี่ยจนกระทั่งเมื่อถึงมาถึงวันนี้มาถึงการอธิบายคราวนี้แล้วก็พวกคุณมีพื้นฐานหรือมีอะไรต่อรมารองรับแล้วอาตมา ก, ก็อธิบายแล้วพวกเู้กับพวกเราเนี่ยถึงขนาดนี้ก็ตามเถอะผู้ที่ฟังอาตมาอธิบายนีย่ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใครบ้างยกมือขึ้นทีตอบจริงๆผู้มาใหม่ในอาตมาเชื่อว่าจะรู้เรื่องจะยาก ใครบ้างที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องยกมือขึ้นสิกล้ากล้าผู้ลุงกรงอาตมาอยากจะวัดจะเช็คด้วยเอาไมไม่รู้เรื่องที่พูดมานี่ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรนวสัญญาจ้าวเวทนาจร ะ, นะะกินจัญยาเอาพุทธคามสุ ข, ขวเวทนาอะไรฟังไม่รู้เรื่องเอามารู้เรื่องก่อนที่ใครไม่รู้เรื่องเลยฟังสิฟังแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องยกมือสิ ก็ไม่ใช่น้อยน่าช่น้อยคนคนใหม่คนใหม่มาเลยไม่รู้เรื่องเอาคนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องยกมือสิคนใหม่ไม่สงสัยคนใหม่มาไม่รู้เรื่องไม่สงสัยคนเก่าเก่านี่หมายความว่าสามปีขึ้นไปไม่รู้เรื่องยกมือสิสามปีขึ้นไปบางคนสิบกว่าปีแล้วไม่รู้เรื่องไม่สงสัยอาตมาไม่สงสัยนะ ใครรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเยอะเนี่ยรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางเยอะนะอาจมาไม่ได้ดูข้างหลัง่ยกมือไม่ยกมือไม่รู้เรื่องนี่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ไม่รู้เรื่องไม่ยกสักอย่างใช่ไหมรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างใครรู้เรื่องค่อนข้างดีรู้เรื่องค่อนข้างดีเอารู้เรื่องค่อนข้างดีเอาละไม่เอารู้เรื่องอย่างสมบูรณ์ไม่เอา ไม่ถามกลัวจะพบพระอรหันต์ทิ้งไว้อัตมากลัวจะพบพระอรหันยังไม่ถามรู้เรื่องรู้เรื่องดีที่สุดไม่เอานะรู้เรื่องค่อนข้างดีรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่างนั้นแหละอัตมาว่าบางทีฟังขนาดนี้พอออกไปแล้วนี่มันอะไรวะท่านบรรยายอุตส่าต้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง เ, เมื่อกี้ก็ว่าเขาใจเข้าใจนะพอมาอ่านไปอ่านเองอีกบ้างนี่ มันยังไงมันยังไงวะงก็ว่าเข้าใจดีนะตอนฟังนะว่าเข้าใจมันยังไงอ้าวจริงๆริงจริงๆอาตมาเชื่อเช่นนั้นเพราะอาตมามีประสบการณ์ที่ผ่านอย่างนี้มาไงมาเพราะฉะนั้นย่อมรู้ความจริงๆอย่างนี้มาอาจจะมีสูตรอื่นอีกนี่เทวดาหามานนี่สัพพุทธชาโต พบก็เอามาแถมให้อัตมาไม่ได้ไม่ได้เตรียมบอกองกคงว่าเป็นคนที่เตรียมเป็นครูที่เตรียมการสอนน้อยมากมันได้ขนาดนี้นี่ก็เป็นบุญของพวกคุณแล้ว <c oughs> เป็นบุญของพวกคุณแล้วอัตมาตอนแรกคิดถึงแต่เฉพาะอานาปานาสติสูตรเสร็จแล้วก็อ่านพระเตปินดงย่อที่สอนอยู่ก็พอดีมันตรงกับพวกส่วนนี้อัตมาเห็นอย่างนั้นนะ่ะ ทำงานพออธิบายถึงตอนนั้นตอนนี้ไปจะมีนวนมีนนี่หยิบพระสูตรหรือคนนั้นคนนี้จะต้องหยิบตอนนั้นตอนนี้มาให้มันจะสอดคลองกับไอตอนที่อาตมา ก, กําลังอธิบายอันนี้ไว้อยู่เรื่อยๆเลยอันนี้ทําให้อาตมาขี้เกียจขนขวาก็ไดนะ้น่ะมันรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ม, มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยอก็เห็นว่าเอออยู่ในพระสูตรเนี่ยกำลังอ่านอยู่พอดีก็เลยเอามาให้ท่านหัวขัตสูตรด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ให้มา รีบรีบเพืท่นที่จริงสั่งให้ทำนี่เป็นหนังสือนี่แต่เฉพาะอานาปานาสติแล้วนะก็ให้มาเติมนี่นี่ซะก็เลยกลายเป็นเล่มนึงออกมาเสร็จแล้วท่านพุทธชาโตก็ไปเจาะสูตรพวกนี้อี ก, กเอามาให้อีกก่อนจะมานี่เองนะอาตมาก็เออ ด, ดีดีดีชัดขึ้นขยายความกันขึ้นชัดทําให้ได้รู้อะไรดีขึ้นอาตมาก็เอามานะก็เลยมาอธิบายมาอ่านให้ฟังเอาให้หมดซะเลย อ, อีกสูตรหนึ่ง อีกประมาณอีกสิบหนาทีเมื่อเข้าใจสูตรเมื่อกี้แล้วสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งก็จะเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นแต่ใช้ภาษาต่างกันภาษาต่างกันขึ้นมานิดนึงนะสมุสมุค ส, ส, สูตรนะสมุขคสูตรนะสมุขคสูตรว่าด้วยนิมิตนิมิตสนะดยกลับภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิต พึงกำหนดไว้ในใจซึ่งนิมิตสตลอดการตามการตลอดการตามการหมายคำว่าทําให้ทั้งในช่วงนั้นช่วงนั้นเรียกว่าตามการและทั้งต่อเนื่องอยู่เสมอเรียกว่าตลอดการตามการคือพึงกําหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตหนึ่งสมาธินิมิตฟังไว้คํานึงพึงกําหนดไว้ในใจซึ่งปักคาหานิมิตหนึ่งพึงกําหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิต ห น, นึมีคําว่าอุเบกขาชัดขึ้นมาอีกตัวหนึงแล้วนะในอันนี้ดูกระพริศทั้งหลายถ้านปริศผู้ประกอบอธิจิตพึงกําหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตตอนนี้จะต้องฟังให้ดีนะสมาธินิมิตนี่จะหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวจะได้เข้าใจพึงกําหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความเกียดคร้าน ยำไว้พวกสมาธิพวกนักสมาธินี่ทั้งหลายแหละเนี่ยลงหลุมนี้หมดพร้อมทั้งพวกเราที่ยังเอียงอยู่ด้วยกั น, นเพราะฉะนั้นพวกได้มีเชื้อฤาษีเชื้อนักสมาธิฟังไว้ที่จรเราเอาทั้ง3มนะเราสมาธิเราก็เอาปักขหาเราก็เอาอุเบกขาเราก็เอาแต่ไปอย่างหนึ่งอย่างเดียวหรือเอียง ไม่สมดุลไม่เสมอสมานและไม่รู้จักการตามการเราจะมีตลอดแต่เรายุติจากการตามการรู้จักวาระตามวาระวาระใดเราจะใช้สมาธินิมิตวาระใดเราจะใช้ปัจจานิมิตวาระใดเราจะใช้อุเบกขานิมิตจะต้องเข้าใจเราจะต้องเราใชแ้แต่อธิบายก่อนแต่ที่มันเอียงตรงทุกวันนี้ มันเอียงตรงไปทางสมาธินิมิตปัหานิมิตมันก็ไม่เอาโดยโดยเฉพาะมันจะไม่เอาเพราะมันเข้ากับกิเลสมันชอบเจดครานปัหานิมิตคือความขยันปัจขานิแปลว่าความเพียรปคหานิแปลว่าความเพียรสมาธิเนี่ยนั่นะสมาธิที่ทั้งโลกที่เขารู้อยู่นี่พระพุทธเจ้าเจตนาใช้คำว่าสมาธินิมิตเนี่ย อาตมาว่าชัดว่าจะทำลายสมาธิ months, ทั้งหลายที là, made, ่ฤาษีท ja ั SI weg, ้งหลายแหละเรียกสมาธิเพราะฉะนั้นอธิจิตที่เรียกสมาธินั่นแหละสมาธิเขาทั้งหลายนั่นแหละท่านซ่อนไว้ท่านเรียกกลางกลางสมาธินิมิตนะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่เป็นสมาธิของเขาที่เขาทำกันก็ได้เครื่องหมายนั้นแหละคือได้ความสงบระงับอะไรแล้วกันนี้เข้าไปอยู่ในภพนั่นั่นแหละสมาธินิมิตทำอธิจิตอย่างสมาธินิมิตอย่างนั้นน่ยส่วนปักหานนิมิตนั้น ปักขหัแปลว่าความเพียรนะปักขหานี่แปลว่าความขยันแปลว่าความเพียร ม, มันมันมันแก้กันเอาความเพียรมาแก้ตัวนี้ถ้าใครเป็นตรงอยู่ในปักไปตรงอยู่ในสมาธินิมิตอย่างเดียวนี่ก็จะอยู่อย่างนั้นนะ่นะทีนี้ถ้าเดี๋ยวท่านมีเอาอุปมาอุปไมตรด้วยนะเพราะจะได้จะทําให้จิตนี่เกลียดคร้านนะถ้าพิสูุปประกอบอธิจิตพึงกําหนดไว้ในใจเฉพาะแต่ปักขหานิมิตโดยส่วนเดียว ฟังให้ดีนะเป็นโทษด้วยเหมือนกันนะแต่ปัะจค a h a n ม m i โดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านนะนะชัดเลยนะนะแต่ก็ไม่ขยันก็ไม่ได้นะเราต้องแก้กลับอีกแหละเอาฟังต่อไปถ้าพิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่อุเบคานิมิตโดยส่วนเดียว ฟังนี่นะคล้ายกับว่าเอ๊ะถ้าเราไปทําสมาธินิมิตแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นขี้เกียจที่จริงมันน่าจะอยู่ที่อุเบกขามันถึงจะขี้เกียจใช่ไหมฟังมาขนาดนี้เรามาถึงตรงนี้เราลองฟังดูอ่าลองฟังต่อพึงกําหนดไว้แต่เฉพาะอุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบไม่ใช่ดังที่เราเดาง่ายๆแล้วถ้าใครไปเอาแต่อุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเดี๋ยวจะขยายความ เพิ่งเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบท า, ทางท่านที่แม้มันน่าจะอุเบกขาอุเบกขาอยู่บ่อยๆมันน่าจะตั้งมัน่นมันน่าจะสิ้นอาสวะโดยชอบใช่ไหมไปทำสมาธิแล้วก็จนกระทั่งถึงฌานสี่อ่าแบกขาอยู่ยงั้น <c oughs> พูดซะให้มันแสดงให้มันดูมันน่าเกลียดน่าชังหน่อย ก็นั่งนิ่งอุแบกขาอยู่นานๆมันก็น่าจะสิ้นอาสวะโดยชอบมันน่าจะมีความตั้งมั่นแต่พระพุทธเจ้ากลับว่าพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบนะเพราะที่จริงนั้นมันได้แค่สมาธิที่จริงเท่านั้นมันไม่ได้เป็นอุเบกขาอย่างพุทธเข้าใจไหมอุเบกขาอย่างพุทธเนี่ยเขาไม่ได้ไปติดอุเบกขาบอกแล้วว่าว่างแล้วจะว่าง ชัดขึ้นไหมว่างแล้วอย่าว่างแต่นั่นมันว่างแล้วจงอยู่ว่างๆโอ้ยแล้วมันจะไปสิ้นอสวะโดยชอบอะไรมันจะไปตั้งมั่นอะไรมันก็จมดิ่งเท่านั้นเองรู้จากความตั้งมัน่นไม่ตั้งมั่นไม่ใช่จมดิ่งจมดิ่งนั่นฝังเลยฟังภาษาไทยคุณฟังภาษาไทยดีๆถ้าคุณไม่ฟังฟังภาษาไทยอย่างอาตมาพูดแล้วนะบารีมันมีเท่านี้แล้วภาษามันตายแล้ว แล้วเขาก็เข้าใจกันเพราะคนสมัยเรียนกับพระพุทธเจ้าน่ะเป็นไปนคนยังไงเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีบุญมีปัญญามีอะไรพร้อมที่จะศึกษาธรรมะที่จะฟังพระพุทธเจ้าเทศแค่45พรรษาก็เป็นพระอรหันต์อย่างน้อยนะให้พวกคุณนี่ไปพบพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่สีบปีหรอกนะสี่ 4, ปี 4,500 ปีจะบุรุษอรหันต์หรื ย, ยังยังไม่รู้นะ นะจะเป็นพวกกระอักเลือดเหรอนะเอาเดี๋ยวจะหมดเวลานะเดี๋ยวจะไม่จบสูตรนี้ดวกระพิสูทธ์ทั้งหลายเมื่อใดพิสูจน์ผู้ประกอบอธิกิจกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดการตามการเมื่อกี้ให้คำจำกัดความ้วยขยายให้ฟังแล้วว่าตลอดการตามการอย่างไร กำหนดไว้ในใจซึ่งปคหานิมิตตลอดการตามการคือทําอยู่ตลอดเวลานะทําเสมอแล้วให้รู้จักจังหวะตามการให้รู้จักครั้งจักกล่าวนะปคหานิมิตตลอดการตามการกําหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดการตามการเมื่อ น, นั้นจิตนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานอัตมาอ่านถึงจิตนั้นย่อมอ่อนเมื่อไหรเแล้วก็แม้มันอ่อนใจจริงๆเลยฟังภาษานี้แล้วมันไม่น่าเลยมันน่าจะแก้จริงๆด้วยนะ ฟังแล้วมันมันต้องแข็งแรงนะที่จริงนะว่ามันขัดข้านแย่งกระตั้งมั่นเหลือเกินนะฟังแล้วแม่ภาษาคํามาอ่อนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะอาตมาไม่ได้แปลกับท่านอาตมาก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะว่าจะเอาภาษาคําว่าแปลมุตุคํานี้จากอะไรดีจินนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานผุดพองไม่เสียหายแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างทอง หรือลูกมือช่างทองตระเตรียมเบ้าแล้วติดไฟนะมือช่างทองตัะเตรียมเบ้าแล้วติดไฟแล้วเอาคีมคีบทองใส่ลงปากเบ้านะขีบทองใส่ลงปากเบา้นะบ า, บาแล้วสูบเสมอเสมอเอาน้ำพรมเสมอเสมอเสมอแพ่งดูเสมอเสมอหนึ่งมีสูบเสมอเสมอสองมีเอาน้ำพรมเสมอเสมอ สามีเพ่งดูเสมอๆนะมีสามศักษนะดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าช่างทองหรือหรือลูกมือช่างทองพึ่งสูบทองนั้นแต่อย่างเดียวตอนนี้ไม่เอาน้ำพรมตอนนี้ไม่เพ่งดูสูบอย่างเดียวพึ่งเป็นเหตุให้ทองนั้นไหมจริงไหมสูบตาพืตนน้ำก็ไม่พรมดูก็ไม่ดูสูบ รับรองไม่ทองนั้นยอมไม่ ถ, ถ้าช่างถ้าช่างทองหรือรูปมือช่างทองพึงเอาน้ำพรมแต่อย่างเดียวไม่สูบไม่ดู <c oughs> ไฟดับ <c oughs> <c oughs> ชัดนะอุทาหรณ์นั้นดีจริงๆเลยพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นสุกแต่เดี๋ยวฟังดีๆนะ เอาน้ำพรมอย่างเดียวเนี่ยมันดูกลับกันนะไม่ฟุ้งซ่านเหนือนก็จะไม่ฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านอย่างยิ่งนะฟังดีๆเนืเหมือนเย็นนะใช่ไหมจะจะจะจะเผาทองอะ่ะจะละลายทองอะ่ะแต่เสร็จแล้วก็คุณไม่สูบนะคุณเอาน้ำเย็นพรมอย่างเดียวนี่คือหมายความว่าเพ่ง เ, เพ่งปักข้าหนิมิตรนะเพ่งปักข้านิมิตรอย่างเดียวก็หมายความว่าขยันมันลูกเดียวเองนะฟังดีๆนะอุทาหองนี่มันจะคานแยงความ สมมตินิดนิดนึงเล่นเอาน้ำพรมอย่างเดียวมันน่าจะเย็นใช่ไหมฟุงซ่านี่ร้อนนะมันไม่กลับกันพึงเอาน้ำพรมแต่อย่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นเย็นถ้าช่างทองหรือรูปมือช่างทองพึงเพ่งดูเพ่งดูทองนั้นแต่อย่างเดียวพึงเป็นเหตุให้ทองนั้นสุกไม่ทั่วถึงนี่ตัวนี้สําคัญ ที่อาตมาบอกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหตุเครื่องทําให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอสวะโดยชอบนั่ น, น, น, นแหละฤๅษีจมบังดุยที่บอกว่าหลงอุเบกขาแบบโมหะอทุคขมสุขแบบโมหะหลงเฉยนึกว่ามันเป็นความเฉยที่แท้มันเป็นอทุกขมสุขอทุคขมสุขแบบด้านชาอทุคขมสุขแบบไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอะไร อ, อะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องออกมาข ย, ยันออกมาสู่บ อ, อกมาพรมออกมาสู่บ อ, อกมพรห ม, ม, มออกมาเพ่งดูตรวจตราเนี่ย ละเอียดนะต้องตรวจตาต้องทำเสมอนะเมื่อช่างทองนั้นสุก เ, เป็นเมื่อช่างทองเพ่งดูแต่อย่างเดียวเพิ่งเป็นเห็นให้ทองนั้นสุกไม่ทั่วถึงนะไม่สูบไม่พรมน้ำเอาแต่เพ่งดูอย่างเดียวก็สุกไม่ทั่วถึงนั่นะแหละนั่งเพ่งวางวางวางวางวางอุเบกขาอุบแบกขาอุบแบกขา แม่มันชัดดีจริงๆนะไม่รู้จะชัดยังไงแล้วล่ะโอ้สูตรพวกนี้มาเสริมชัดที่สุดสุดไม่ทั่วถึงและไม่มีทางทั่วถึงและไม่มีทางคุณจะรู้กิเลสที่ซับซ้อนไม่รู้กิเลสเกิดมีแต่นอนเนื่องนอนเนื่องหมักหมมหมักหมมหมักหมมหมักหมมหมักหมมหมักหมมหมักหมมจมไม่รู้จะจมยังไงนะจมไม่มีฟูเลยจมบังดุยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ ทูบไตัว ถ, ถึงดูกะพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดช่างทองหรือลูกมือช่างทองสูบทองนั้นเสมอเสมอเอาน้ําพรมเสมอเสมอเพ่งดูเสมอเสมอเมื่อนั้นทองนั้นย่อมเป็นของอ่อนควรแก่การงานผุดพองและไม่แตกง่ายเข้าถึงเพื่อการทําโดยชอบเข้าถึงเพื่อการทําโดยชอบและช่างทองหรือลูกมือช่างทอง มุ่งประสงค์สําหรับเครื่องประดับชนิดใดคือแผ่นทองต่างหูเครื่องประดับคอหรือดอกไม้ทองก็ได้ย่อมสําเร็จสมประสงค์ของเขาทั้งนั้นหมายความว่าทําทองนี้ให้มาดีแล้วทีนี้จะมาทํารูปประพันธ์อะไรตกแต่งประดับประดาอะไรเมื่ออาจมาที่เป็นศิลปินตอนนี้กำลังประดับประดากําลังปั้นเทือกทำเครื่องตกแต่งให้พวกคุณได้ก็เป็นคนละดอกคนละดอกคนละดอกกันนะเครื่องประดับได้ไปแล้วคนละดอก ใครไม่ได้ก็ช่างแจกทุกคนแล้วนั่งง่วงนั่งงุบอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรท่านนั่งไม่นั่งง่วงนั่งงุบรับเอาอย่างดีใส่ใจตั้งใจเงียสดสดับทาดีทาจิตรับดีก็จะได้แม้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันและพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้ประกอบฟังดีๆนะจะอ่านเร็วพิกษุประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งนิมิตสามตลอดการตามการคือ พึงกำหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งปักขหานิมิตหนึ่งพึงกำหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกานิมิตหนึ่งดูกระพิสูจน์ทั้งหลายถา้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่สมาธินิมิตส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้เครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านถ้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงกำหนดไว้ในใจเฉพาะแต่ปักขหานิมิตโดยส่วนเดียวพึงเป็นเหตุเครื่องให้จิตเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน เป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะดูกระพิสูจนทั้งหลายเมื่อใดพิสูจนประกบอบปฏิจิตกําหนดไว้ในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดการตามการกําหนดไว้ในใจซึ่งปัจจหานิมิตตลอดการตามการกําหนดไว้ในใจซึ่งอุเบกานิมิตตลอดการตามการเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนควรแก่การงานผุดพอ<า>และไม่เสียหายย่อมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะ และพิสษุนั้นยอน่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองใดๆเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมะนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าพิสูจนั้นพึงหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการเพื่อทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ฤทธิ์ที่ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นะไม่ใช่ิีไปทําเดรชาวิชา ปันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมะนั้นๆในเมื่อมีเหตุมีอยู่เป็นอยูนะ่ในเมื่อมีเหตุเป็นมีอยู่เป็นอยู่อละสูตรนี้ลึกซึ่งนะลึกซึงอีกนะเวลาจะหมดลงก็ขยายก่อนจะลุกจากที่นั่งนี้ไปสักนิดหนึ่งนะว่าสรุปแล้วมีอยู่3ลนิมิต สมาธินิมิตปักขาหะนิมิตอุเบกขานิมิตตีตัวอุเบกขาก่อนอุเบกขานิมิตที่เป็นมิจฉาทิฐินั้นเป็นอุเบกขาฟังดีๆนะอุเบกขานิมิเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นก็คือนั่งเจโตสมถฐานและก็นั่งแช่ติดเอาแต่อุเบกขานะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรแต่ใดที่มันรุ่งเรืองกว่านั้น เอาจะเชิญอุทุกรรมสุขหรืออุเบกขาเนี่ยวางบางประเภทที่ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดรู้เรื่องอะไรไม่รู้เหตุไม่รู้การไม่รู้กาละเอาจะนั่งจมกับจมต่อไปอย่างนั้นไม่รู้การตามการไม่รู้จักขยนันไม่รู้จักที่จะทำอะไรตามควรสมาธิแบบฤๅษีเลยนะทำอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นคาว่าสมาธินิมิตทอาอติจิตสมาธินิมิตนะ สมาธินิมิตนั้นหมายความในสภาพความสมถะนะสมาธินิพิทเนี่ยความสงบอย่างสมถะสมาธินิมิตเป็นความตั้งมัน่นถ้าจะแปลสมาธิว่าตั้งมัน่นอย่างที่เขาเข้าใจว่าตั้งมัน่นก็คือทําให้มันบ่อยๆทําให้มันเสมอๆอย่างที่เขาทำเขาจะทําในระดับรูปประฌานหรือเขาจะทําในระดับอรูประฌาน ในสมาธิฤเศษนี่อย่างใดอย่างใดแล้วก็จะเอาไปจมอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีมรรคองแปดโดยไม่มีการขยันมั่นเพียรโดยไม่มีการการงานโดยไม่มีการรู้ตามการไม่รู้การรู้ควรว่าเจังหวะนี้จะทําอะไรจังหวะนี้จะทําอะไรควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นอะไรโดยเฉพาะไม่ได้ปฏิบัติโดยสูตรโพธิปัจจยธรรมไม่ได้รู้จักผัสสะไม่รู้จักกิเลสม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นสมถะแบบพุทธเลย เขาจะเป็นลักษณะนี้จนะทําให้เกิดเกียกร์คราดเกิดเกียกร์คราดจริงๆจนะเกิดเกียกร์คราดจริงๆนะนี่มีมีคนถามมาซ่อนบอกว่านิมิตถามนิมิตนั้นก็เลียรวมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมอย่าไปโมเมมากเกินไปนะไอ้นี่มันหยาบศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นองค์รวมเป็นองค์กว้างนะอันนี้กำลังเจาะเข้าไปในภายในของสภาพของ การเรียนถึงขั้นฌานขั้นสมาธิเพราะงั้นอันนี้มันเอามาป น, นไปกันเข้าไปโดยเฉพาะไปเอาซีนเข้ามาอีกมันมันยุ่งกันใหญ่นะมไม่ใช่อย่างนั้นนะมันถ้าเพลงสมาธิโดยการเอาแต่เอาแต่สูบนะเอาแต่สูบอย่างเดียวฟังดูแล้วมันเหมือนจะร้อนไมมทองไหมนะคือเอาแต่สมาธินิมิตอย่างเดียวเอาแต่สูบอย่างเดียวทองไหม ที่จริงก็คือลงนรกไปเลยเป็นโลกกันนะลงนรกไปเลยจอมดิ่งไปเลยไม่พุดไม่เกิดนะประเภทนี้ไม่เกิดอริยคุณนั่นเองเพราะมันหมักมม ม, มันนอนเนื่องแล้วมันก็ซักทับทับถมลงไปเรื่อยมันยิ่งไม่รู้เรื่องนะมันเกิดอวิชชานะมันเกิดอวิชชาอวิชชาคือสภาพที่ท่านบอกไว้ตอนหลังนั่นแหละบอกว่าอัทุกขมสุขสุดรักอ่าสูงก่อนนี้ มันจะเป็นอวิชาและไม่สิ้นอาสอวะโดยชอบมีแต่อวิชาเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในตัวก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะมีแต่อวิชานะมันเป็นเครื่องเหตุไม่สิ้นอาสะวะโดยชอบนะเป็นการที่ไม่รู้รายละเอียดมันจะมีแต่อย่างนั้นส่วนเอาแต่พรมน้ำาคือเอาแต่ขยันนะเอาแต่ขยันประข้าหันิมิตรเอาแต่มีแต่ผู้ทมมีสภาพถิเพียนนะมีสภาพ ท, พนะาพที่เอาแต่ความรู้ฟังดีๆนะ ปักข้าหนี้เป็นสภาพลักษณะตระต่างกันกับสมาธินิมิตสมาธินิมิตเนี่ยเอาแต่การตั้งมั่นเอาแต่การอยู่ในพบเอาแต่การสงบเอาแต่การสมถะส่วนปักขาหนนั้นเอาแต่ความเพียรเอาแต่ความรู้เอาแต่วิปัสนาเอาแต่งานคิดคิดหาแต่ความรู้เป็นพวกมหายานส่วนสมาธิเนี่ยเป็นพวกหินยานฤเถระว่าที่มันเอียงตังแล้ว เดีขณะนี้ถ้าเอาแต่อย่างตรงไปด้านใดน ด, นด้านหนึ่งอย่างนี้นะลักษณะนี้ตรงตามพระเจ้าตรัสเอาแต่สมาธิอย่างที่จะตรงไปเอาแต่สมถะเอาแต่ความตั้งมั่นเอาแต่พบเอาแต่สงบเกียรตคราสแน่นอนนี่ใครก็รู้ไม่ต้องเอาใครแล้วคุณครูนิดยังรู้เลยจะเอามาสอนนะนี่โลกุตระยังงี้อย่ า, อามาสอนค น, นพัฒนาไม่ขึ้นจริงที่สุดก็เมื่อเข้าใจสภาพศาสนาเป็นอย่างไงก็ผิดก็สิเห็นไหม มันก็ต้องเกตครานมันจะพัฒนาอะไรขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นแล้วก็จริงที่สุดทีนี้เอาแต่ขยันขยันไม่ถูกอีกแหละฟังตองที่มันไม่ถูกก่อนคือเอาแต่จะหาความรู้เอาแต่จะความเพียรแต่ไม่ได้เพียรถูกสภาพเลยว่าจะต้องมีกายกรรมวจิกรรมนกรรมมีการงาร น, า น, า น, านสังกัปปวาจากรรมันตะสัมมาอาชีพอย่างไรไม่รู้เรื่องปฏิบัติมรรคองแปลหรือปฏิบัติโพธิปธัยธรรมไม่เป็น เอาให้ชัดๆก่อนเอาแต่คิดๆก็ฟุ้งซ่านนะสิก็ <_ d ata> ท่านบอกตรงๆนะว่าจะเกิดฟุ้งซ่านก็อ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็ฟุ้งซ่านแน่นเอาแต่พรมน้ําสูบทองเนี่เอาแต่พรมน้ําที่จริงบอกแล้วมันจะคานแยงกับสภาพเอาแต่พรมน้ําแล้วทองมันก็เย็นแย่เลยมันไม่ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมันไม่เย็นนะมันร้อนนะมันร้อนนะหยุดไม่เป็นเลยนะ มันก็จะเกิดเนี่ยสปรกฐานนี้เหมือนกัคือเพียนเอาแต่คิดเอาแต่มหายานี่เอาแต่สายเรียนรู้ไม่ไม่มีทางที่จะเจริญได้เนะเพราะงัไนงั้นจะเอาแต่พรมน้ำพรมน้านะก็เกิดจิตฟุ้งซ่านนะ ต, าตามชัดที่ท่านบอกแล้วฟุ้งซ่านอันแรกแกราจิตเกียดข้านทีนี้อุเบกขาจะทำให้จิต <c oughs> ไม่ตั้งมั่นเพื่อสิ้นอาสวะโดยชอบ <c oughs> ก็เพราะเอาแต่ แบบเซนทีนี้แบบเซนอุเบกขาหนิถ้าเผื่อว่าทางลืมตาจะแบบเซนถ้าหลับตาจะไปสมาธินะเข้าใจอุเบกขาวว่าเออปล่อยมันว่างมันวางมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าเอ า, ไ ม, เอาไม่เอาฐานอะไรกับมันอีกแหละนะพวกนี้มีปัญญาพวกนี้มีปัญญาพอจะเลี้ยงตัวได้ยันมันเพียนไม่ก่าเทอะรายลัก แต่ว่ามีปัญญาขยันมันเพียนไปอยู่ที่ปักขะหะขยันมันเพียนก็ไม่เท่าไรแต่มีปัญญาพอกินพอใช้พออะไรอะไรถ้ามีปัญญามา ก, กรวยมากมีเล่เหลี่ยมมากมีอะไรเมากดีไม่ดีก็เอาธรรมะนี่แหละมาขายกินนะได้ทั้งยศแต่ทั้งลาภมากมายนะได้อย่างนั้นนะได้ทั้งยศทั้งลาภมากมันมันไม่ตั้งมัน่นจริงไม่สิ้นอาสวะจริง อธิบายอย่างฤาษีทีนี้นี่อธิบายอย่างเซนอธิบายอย่างปัญญาเป็นอย่างนี้อธิบายอย่างฤาษีถ้าเป็นอุเบกขาอย่างฤาษีมันควรจะตั้งมั่นแต่ไม่ใช่เพราะจิตอธิบายขยายมาจากสมาธินะบอกแล้วท่านเอาความหมายสมาธิเป็นแบบที่เอาจะพบใครจะพบรูปประชานรูปปัจจานหรือมาตื้นก็รูปประชานกระทำเอาจะนั่นั่งอย่างนี้ขี้เกียจแน่ทีนี้อย่างนี้จะไม่ตั้งมั่นจะไม่สิ้นอาสะวะ ที่จริงมันควรตั้งมั่นใช่ไหมเอาแต่อุเบกขานั่งๆๆมันควรจะตั้งมั่นท่านกลับว่าไม่ตั้งมั่นและไม่สิ้นอาสวะเพราะมันไม่ละเอียดละออมันไม่ชอนใช้มันไม่รู้จักสภาวะที่จริงถ้าไปนั่งเอาแต่หลับตาจมอย่างนั้นแหละแล้วมันจะไปสิ้นอาสวะได้ไงมันตื้นตื้นตื้นตื้นอยู่อย่างนั้นมันไม่ชอนใช้ลงไปได้มันมีแต่ทับแน่นทับแน่นทับแน่นทับแน่นแล้วมันอะไรจะเกิดตาหูจมูกลิ้นกาที่จะเป็นตัวสัมผัสตัวจรกระแทกกระทุ้งกิเลสออกมา ยากกลางละเอียดอะไรต่ไรอ่อนบางอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดการตามสภาวะที่มันจะออกมาไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปสิ้นอาสวะได้อย่างไรหรือแม้แต่พวกเราเนี่ยอัอดีดีนะตอนนี้ในระดับไม่ใช่เรื่องที่ผิดทั้งหมดเป็นโสดาก็ตามส ก, กิทาขึ้นมาก็ตามได้ฐานไหนมาแล้วก็มาติดได้แล้วขณะนี้เอาเบกขาหมยคขามาได้ไม่เจริญแล้ว เฉยเท่าที่เราได้แล้วก็ไม่าพากเพียนไม่มีปักขหะไม่มีความเพียนที่จะทําให้มันถูกเรื่องตามการจะต้องเพียนการงานมีสังกัปปวารจากรรมตัฏที่เป็นสมาสมาทั้งอาชีวะอะไรต่ออะไรอย่างจริงจังอย่างนั้นไม่มีความเพียนได้จะติดเหนื่อยช่วยไปตามได้แล้ ว, ลวขนาดขนาดนี้ก็พอกิดแล้วนั่นนั่นเอาแบกขาแล้วเอาแบกขาแล้ว อูแบกขาแล้วใครได้ได้แค่ไหนก็แล้วแต่นะอูแบกขาแล้วแบกมันอยู่ตรงนั้นนะเป็นเจ้าติดสารได้แค่ศารศารซีหนึ่งเนี่ยเจ้าสารประจำสารซีหนึ่งอยู่ซีหนึ่งไปตลอดการถ้ามันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องทวนแล้วก็หลงตกต่าได้อ่าถ้ามันได้เข้ารอบเข้ามันก็ยังจริงอยู่ก็ยังดีหน่อยที่ว่ามันมันก็ยังได้อะไรบ้างอ่ไม่ตกต่ําก็จริง แต่มันไม่ก้าวหน้ามันไม่เจริญถ้าอธิบายเข้าไปหาสมาธิอยู่ในภพนั้นอยู่ในความสงบอ น, นั้นอยู่ในสมถะขนาที่คุณได้นั้นคุณก็จะกลายเป็นคนเกียดคร้านกลายเป็นคนเกียดคร้านเพราะมันไม่มีอะไรที่ใหม่มัน ม, มีอะไรที่จะทำงานซอกแซกอะไรเพราะฉะนั้นอาสวะจะสิ้นรอบไม่ได้ เพราะนั้นความตั้งมั่นไม่ใช่ความอยู่เฉยๆเหมือนกับอาตมาพยายามอธิบายมัชชิ ม, มาความเป็นกลางไม่ใช่เอ า, เอาไม่บรรทัดอันนึงมา12นิ้วหคือกลางไม่ใช่ดะ น, นาบอย่างนั้นคําว่ากลางมัชชิ ม, มาไม่ใช่ตื้นๆแค่นั้นมีลูกกลมมาลูกหนึ่งกลางคือตรงใจกลางของมันไอเนี้ยมันง่ายๆเป็นวัตถุรูปเป็นนิมิตตื้นๆไม่ใช่เรื่องงั้น ความลงพอเหมาะพอดีที่สุดกลางนี่ความลงตัวความสมบูรณ์ความถึงที่สุดแห่งการสิ้นรอบอาศวะนั่นคือความเป็นกลางคาว่ากลางไม่จะภาษาตื้นต้นแต่เขามากลางตามใจของเขาชอบแล้วก็สองบวกสองเอาส อ, สองไปหารไปหารไม่ใช่สองหารมันก็หารครึ่งอ่ะหารครึ่งมีอะไรก็หารครึ่งไปด้วย ได้สองหานหรือเปล่าอสองหานเลยเนาะอ่าแปก็คือสอะไรงนี้เป็นต้นนะแม้แต่เจก็คือสครึ่งอะไรเงี้ยนะอะ่แล้วอย่างนั้นเรียกว่ากลางไอ้อย่างนั้นมันมีติที่ตื้นเขินมากมันไม่ใช่คําว่ากลางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต้องใช้สัพพัญญูรอกอย่างนั้นน่ะต้องเอาใช้สัพพัญญูมาต้องอคิดตรัสรู้ว่าอู้จิวแล้วกลางมัชฌิมาปฎิปทา ออคือสองหานนั่นเองมอาตมาว่าไม่ต้องบำเพ็ญเพียรหลายชาตินานับชาติจนตัวไปจะเป็นพเจ้าบุตรอาตมาเลิกเดี๋ยวนี้โพธิสัตว์เลิกเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าขึ้นไปตัดสรู้แค่นั้น น, นนะเลิกเดี๋ยวนี้เลยมัชฌิมาปฏิปทาแค่นั้นนะเลิกเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาต่อแล้วพวกคุณก็จะตัดสรู้ได้แบบนี้คิดหาสูตรอย่างนี้นะะเ อ, อมัชฌิมาปฏิปทาคือสองหานโธ่ มันไม่ได้ตื้นเขินอย่างนั้นมันแม่มีในยะที่ลึกซึ้งละเอียดละออยอย่างที่กล่าวนี้มากมายนะเพราะฉะนั้นอุเบกขานิมิตนี้ถ้าอุเบกขาที่เราได้ภูมิธรรมอุเบกขาฐานนิมิตอย่างที่อาตมาว่าฐานนิพพานคุณนิพพานโสดาคุณได้อุเบกขาของโสดาคุณวางโสดาแม้คุณจะไม่เอาละคุณจะที่จริงคุณจะไม่มีปัญญาที่จะวางอุเบกขานั้นโดยซ้าไปเพราะคุณติดเมื่อกี้ว่าจะอธิบายว่าคุณวางอัตตาอุเบกขาได้เพราะคนที่ วางอัตราอุเบกขาได้จึงเพิ่มเป็นสกิทาอนาขาขึ้นไปเพราะภูมิว่างสงบวันนี้ไม่ติดภูมินี้มันจึงจะเลื่อนฐานแต่คุณบอกว่าอุเบกขาเอออยู่มันเฉยเฉยมันเอารถนี้ไว้ก็อยู่อุเบกขาวันแล้วจะไปไหนอาสวะจะสิ้นรอบมันจะรอบแดงไม่ใช่ตั้งมั่นติดเดรติดตั้งฟังให้ดีคําว่าตั้งมั่นก็ไม่ใช่ลักษณะติดตั้งอ่ติด เดงอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปไหนอ่ะไม่ใช่นะต้องวางเห็นไม้มปฏินิสักขะนี่มันลึกซึ้งกว่านั้นปฏินิสักขะนี่ได้แลแ้วไม่ได้ได้แลแ้วไม่เอาได้แลแ้วไม่เอาอย่าไปติดอย่าไปหลงแช่แมถ้าบอกปีนี้พุทธาพิเศษกันไปแล้วยังไม่คลี่คลายยังไม่ขยันยังไม่ออกจากรูนะยังไม่เคลื่อนคล้ายเคลื่อนกายย้ายจุด ยังไม่พัฒนาขึ้นอีกก็นี่รู้จะทำยังไงแล้ว อ, นนอาทีนี้มาถึงปักคหะยังมีการสงสัยเอ๊ะทั้งนั้นเอาแต่ ง, งานเห็นไมเนี่ยเอาแต่ ง, งานแต่ ง, งานเอาแต่ขยันขยนันขยนันมาพูด ก, กันก่อนว่าขยันทำงานนั้ น, น, นปฏิบัติธรรมหรือขยันทำงานถ้าขยันทางานแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็แน่นอนอแน่นอน เพราะมันเป็นโลกีคุณขยันทํางานต้องได้ลาบยศสันเสริญโลกีจะสุขมาบําเรอใช่ไหมมาบําเรือมันจึงจะทนได้เพราะนั้นขยันทํางานก็ไม่ได้ลาบนี่ที่นี่อยศก็ไม่ได้ยศมีแต่ถูกติด้วยคนคุนเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีอะไรบกพร่องเขาไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็ไม่ถูกติเราทํางานอ่ะวันนี้ก็บกพร่องวัเดี้ก็ผิดพลาดเราก็ต้องถูกติถูกเตือนทำไมนายไม่ทําให้อย่างเงี้ยทำไมไม่อย่างเงี้ยทำไมนี่บกพร่องไปผิดพลาดอ๋อนี้ลืมไปหล่นไปอ้าว เดี๋ยวคนนั้นก็นมาหมัดหนึ่งเดี๋ยวคนนี้ก็มาสองหมัดสาหมัดอะไรกน็นักกันหนาววะคนที่ทําโลกีก็ต้องเป็นโลกีไม่ได้เข้าสู่ระบบของโลกุตระเมื่อทําโลกุตระทํางานคุณก็ได้เจอเขามาด่าใช่ไหมเขามาติใช่ไหมแล้วก็เออรู้แล้วรู้ทันลดกิเลสคุณก็รู้อา น, นิสงส์ว่าคุณได้ได้รายได้โลกุตระได้ลดเห็นไหมเขามติเขามาบอกเมื่อยนะเออเมื่อยก็ไม่เป็นไรเราสร้างสารรค์มีกุศล คุณได้ทํางานคุณได้มีกระทบสัมผัสคุณมีทั้งกระทบสัมผัสต่องานการกระทบสัมผัสต่อรูปรถตินเสียงสัมผัสกระทบต่อบุคคลจิตปิญญาณมนุษย์มาอะไรคุณก็ปฏิบัติทําเป็นโลกุตระโลกุตระโลคุตระคุณก็รู้ว่าคุณได้มักได้ผลเมื่อได้มากได้ผลคุณก็มีปิติมีปรับอภิปโมทยังมีความชื่นใจมีความสดชื่นมีความพราะเราได้นะจะว่าไม่ได้ก็ไม่ได้จะว่ามันมีอะไรที่เกิดไม่ใช่เกิด แต่ไม่คนที่ยังมีภูมิของโลกียะมันได้รับแต่นินทามันไม่ได้รับลาบได้รับยศมันไม่ได้รับอะไรอะไรมันไม่ได้อะไรมาบำเรอเป็นอมิตรเลยแน่นอนมันไม่ทนหรอกคุณก็จะต้องอาจจะต้องศึกษาลาเพศถบวดแล้วหรือเป็นคารวะคุณก็ต้องนั่งหนั่งออกไปหากินของกูดีกว่าว่าก็เพราะมันจะไปเอาลามันก็ถอไปอะไรทีตอนนี้มันไม่ได้อ่ารู้แล้วว่ามันเลยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ อทําไมไม่มันแล้วเวอร์มันต่อเนื่องอยู่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นตั้งมั่นที่หมายนี้จะหมายเออคืออธิอธิหรือเปล่าใช่นะอันนี้ถูกตั้งมั่นนี่คืออธิมันสั่งสมอธิอธิอธิอธิอธิอธิอธิขึ้นเรื่อยแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆไม่จะอธิแล้วก็ติดอธิอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่นะอธิจิตก็ไม่ใช่อธิติดจิตอยู่ตรงตัวจิตเก่าอุเบกขาจิตตัวเก่าก็ไม่ใช่ อันที่คือยิ่งๆิๆขึ้นอยู่เรืเร่อยๆดีอันนี้ถูกนะอันนี้ถูกแต่อย่าไปโมเมศีสมาธิปัญญาเมื่อกี้ว่าสานิมิตไม่ใช่นะอันนี้ถูกนะเพราะคำว่าอุเบกขาก็จึงไม่มีสภาวะลึกซึ้งซ้อนขึ้นอีกเพราะยังมันจะต้องเจริญจิตทำให้จิตตั้งมั่นก็เพราะไม่ติดอุเบกขาจะสิ้นอสวะโดยชอบก็ไม่เพราะติดอุเบกขา เพราะฉะนั้นอุเบกขาเป็นฐานนิพพานก็จริงแต่ไม่ใช่อัตตาอันที่หมายสรุปด้วยภาษาสั้นๆ น, นี้สุดท้ายนะอุเบกขาเป็นฐานอาศัยก็จริงบอกแล้วนะ อ, อุเบกขาอย่างมิชาทิทิไม่เอานะอุเบกขาอย่างสมาทิธิเป็นฐานอาศัยแต่ไม่ใช่ตัวกูของกู แต่ไม่ใช่ฐานที่ต้องติดตังไม่ต้องติดตังเพราะงั้นเฉยได้แล้วอย่าเฉยวางได้แล้วอย่าวางไม่ใช่ให้ไปไปเกาะอันเก่านะแต่ไปต้องเลื่อนใหม่ว่างแล้วอย่าว่างเอาว่างแล้วอย่าว่างดีกว่าเฉยได้อย่าไปนคนเฉยๆฉฉต้องรู้ว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมอะไรดีกว่านี้มีอีก ทำใหม่เป็นเหตุปัจจัยและจะทำให้เราเรียนรู้จิตขึ้นไปใหม่อีกกายกรรมวจีกรรมที่เราทำนี่แหละที่เราทำการงานหรือแต่ทำอะไรนี่แหละมันจะก่อให้เกิดเรียนจิตที่รู้อาสวะรู้อนุสัยรู้กิเลสที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยีกจะเห็นได้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาที่ต้องเพียรอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เพียรอย่างฟุ้งซ่านไม่ใช่อาหาแต่ความรู้ ไม่ใช่หาแต่ความรู้แต่ต้องปฏิบัติแต่ต้องประพฤติจะต้องสั่งสมสภาพที่มันจะต้องดีจริงๆขึ้นไปเพราะอันนี้มีอะไรขึ้นมาอีกนอ่เอาละมัน ม, ม, มีมีเวลาแล้วค่อยไปอ่านตอนนนอ่ะพอเลยจบไปดื้อก่อนอ